ขอข อ, ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านทั้งหลายวันนี้ก็ามาพูดต่อในเรื่องของคุณสมบัติหลักของพระโสดาบันตรงนี้ก็จะพูดในเรื่องของศรัทธาศีลสุตตจารค้าและปัญญานี่แหละเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาริยวัถิก็คือความเจริญตามแบบอย่างของอาริยชน บางทีก็เรียกว่าสัมปทานเนี่ยศรัทธาคือความเชื่อเนี่ยที่จริงในหลักการตรงเนี้ยอยากจะให้ความเชื่อมั่นในความดีหมายความว่ามั่นใจและได้พิจารณาไตรตองมองเหตุผลได้ปัญญาแยกแยะออกได้ความเชื่อมั่นในพระเจ้าเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ความเชื่อมั่นในพระธรรมความเชื่อมั่นในพระดิยาสงเป็นต้นทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของตัว ศรัทธาเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มของโสภณธรรมเนอะลักษณะของโสภณธรรมเนี่ยก็หมายความว่าเป็นสภาพจิตที่เกิดขึ้นร่วมกับกุศลถ้าอาัดแทงกุศลมีอยู่หประการนะมาจากคาว่าอโรมคยัตถะไม่มีโรคไม่มีโรคในที่นั้นก็หมายความว่าไม่มีกิเลสกิเลสคือราคาโทสามโมหะเป็นตัวเขาเสียดแทงคนมีโรคก็จะมีลักษณะของ มีสภาพของโรคภัยแค่เจ็บมาเสียดแทงบีบคั้นฉะนั้นอรรารมยาดถะเนี่ยแปลว่าไม่มีโรคเนนั่นก็แปลว่าจิตที่ไม่มีกิเลสก็มีศรัทธามีความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นในจิตตนนั้นสุนทรัฏฐะในที่นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์นสุนทรัฏฐะเป็นประโยชน์ด้วยเฉยกัตถะฉลาดมีความเรียบร้อยดีงามอนวาวัชถะก็มีไม่มีโทษไม่มีสิ่งที่น่าตีเตียนเลย อีกอย่างหนึ่งก็คือสุขข่าวิปากัตถะก็มีสุขเป็นกําไรฉะั้นเวลาเรามองถึงในสภาพจิตที่เป็นมีศรัทธาประกอบก็จะประกอบกับมหากุศลเนาะเมื่อกุศลและจิตเกิดขึ้นมันก็กว้างขวางในเรื่องของอารมณ์สามารถรับอารมณ์ได้มากมายจะรับรูปารมณ์ศัทธารมณารมล่าสารมโพธิภารมหรือธรรมารมณ์รับอารมณ์ที่เป็นอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้ ได้รับอารมณ์ที่เป็นกาลลวิมุตก็ได้กาลลวิมุติในที่นั้นก็คือรับพวกกลุ่มบัญญัติเป็นอารมณ์บัญญัติไม่ว่าเป็นสัตว์สิ่งของชื่อบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไม่จัดอยู่เป็นปัจจุบันอดีตอ น, นาคตเพราะบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาจึงไม่จัดอยู่ในการทั้งสามกว้างขวางในเรื่องเวลาก็สามารถเกิดติดต่อกันได้เป็นเวลานานและเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งไม่มีข้อจํากัดกุศลจะเป็นไปลักษณะแบบนั้น ฉะนั้นศรัทธาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นร่วมกับกุศลจิตนะศรัทธาในทีน่นี้พูดถึงในเรื่องของตัวกุศลธรรมกว้างขวางในเรื่องเหตุก็คือสามารถเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุธรรมที่เป็นเหตุมากมายนะบุญกิาวัตถุสิบก็ได้สุจริตสามก็ได้เออขอไปสุจริตทั้งสิเป็นต้นก็ได้จะกว้างขวางในเรื่องของบุคคลอย่างนี้ก็ได้นะสามารถเกิดขึ้นได้บุคคลทุกจําพวกที่มีจิตเกิดขึ้นได้ ทีนี้ถ้าเรามองถึงในเรื่องของตัวกุศลเนี่ยนะศรัทธาที่เกิดร่วมเป็นธรรมชาติที่ทำให้บาปประรรมทั้งหลายเหล่านี้หลุดลอยหายไปที่นี้ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าตัวกุศลเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นหรือคนที่ได้ศรัทธาในปัจจุบันนี้ได้มากก็มาจากปกเพกตปุญญาตา เคยทาบุญไว้ในปางก่อนแล้วก็ปฏิรูประเทสวาโสได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมาเกิดในถิ่นที่มีบัณฑิตเป็นต้นสัพุริสังสูปนิสสยะก็คือคอบหาสัตบุรุษสัตรธรรมสวระได้ฟังพระสัตรธรรมแล้วก็อัตตสัมมาปณิที่ตั้งตนไว้ชอบเนี่ยกรณีในลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่จะทาให้ศรัทธานี้เกิดขึ้นศรัทธาก็จะเกิดขึ้นแก่กลุ่มบุคคลที่มี ตัวกุศลจิตเกิดนั่นเองอัทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของศรัทธาเนี่ยที่แปลว่าความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นเนี่ยก็คือว่ามั่นใจเพราะได้พิจารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผลด้วยปัญญาแล้วก็แยกออกเป็น3ด้านด้วยกันนะหนึ่งความเชื่อมั่นในพระเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลต้นแบบก็ได้หรือเป็นบุคคลเป็นเอกบุคคลยืนยันถึงวิสัยความสามารถของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ย จะสามารถอย่างรู้สัจธรรมคือทุกสมุทัยนิโรธมักเข้าถึงความจริงและความดีงามสูงสุดได้ด้วยสติปัญญาด้วยความเพียรพยายามของมนุษย์เองอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้จเจริญงอกงามขึ้นได้ทั้งในด้านระเบียบชีวิตที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายทางวาจาและทางด้านคุณธรรมด้วยที่จะสามารถอบรม ทั้งคุณภาพสมรรถภาพและความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปถึงตัวปัญญาที่สามารถพิจารณารู้รอบรู้ชัดรู้ลึกพิจารณาเหตุผลจนสามารถพัฒนาตัวปัญญาเนี่ยหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดเครื่องบีบคั้นที่เรียกว่ากิเลสและกองทุกได้เนี่ยทั้งในด้านปัญญาความรู้ความเหตุผลตเป็นต้นเหล่านี้ประสบความเป็นอิสระล้าเลิศเป็นต้นได้ และในการที่เข้าถึงภาวะเช่นนี้ได้ย่อมไม่มีสัตว์ใดๆที่จะประเส ร, ริฐไม่ว่าจะเป็นเทวดามารหรือพรมที่จะเป็นผู้ประเสริฐมีความสามารถเกินมนุษย์ซึ่งมนุษย์จะต้องหันไปหาหรือรีรอในการขอผลตนบรรดาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้ามองงนี้จะเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลที่ดีที่สุด พระรัตเจ้านั้นฝึกตนเองทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจโดยเฉพาะทำปัญญาถ้ามองถึงในด้านของพระจริยาคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเนี่ยอย่างยาวนานในสังสารวัตรทั้งทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาบา ร, รมีอุ ป, ปบา ร, รมีสิบปรมัตถบา ร, รมีสิมหาปริญาค่ะห้า 5, ถ้ามองดูเหตุที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วก็ผลที่พระองค์ได้ในปัจจุบันตั้งแต่การประสูตร ตั้งแต่การตัสรู้ตั้งแต่การแสดงพระธรรมจักรให้เป็นไปประกาศหลักการของพระรัตนาตรัยเป็นต้นนั่นคือผลงานของบุคคลคือพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลต้นแบบได้คนพบและนำมาแสดงไว้นี่คือความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในองค์ของไม่ว่าในส่วนของพัจริยาคุณก็มองในมุมไหนในด้านของการบาเพ็ญบารมีก็เห็น ความบริบูรณ์ทุกรูปแบบไม่ว่าในส่วนของภรสรีรคุณมาจากเขตอะไรเนี่ยถ้าเราดูในด้านของลัคนาสูตรก็จะเห็นชัดพระบรมศาสดามีพระเนธอย่างไรมีพระนาศิกอย่างไรมีพระพาหาเป็นต้นยังไงรายละเอียดเยอะอันนั้นเป็นข้อมูลที่จะทําให้เรานั้นเข้าไปวิจัยแยกแยะเรียนรู้แล้วก็เห็นความจริงในข้อนี้ได้ก็เกิดความเชื่อมัน่น ความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นได้เพราะได้สุดตามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังจินตามย์ญาปัญญาปัญญาที่เกิดการพิจารณาที่ลึกขึ้นกว้างขึ้นก็จะเห็นความจริงในเรื่องเหตุและผลไอตัวศรัทธาก็จะแนบแน่นไปตามสภาพของปัญญาที่เจาะทะลุทะลวงเห็นความจริงของพระจริยาคุณพระเสดละคุณโดยเฉพาะพระกุโพธะคุนอย่างนี้เป็นตน้นนั่นแหละในด้านของศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว ก็หมายความว่าได้พิจารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผลด้วยปัญญาแล้วก็เลยแยกแยะในด้านของพระพุทธคุณหรือในพระพุทธเจ้าก็เห็นได้ชัดอย่างนี้เป็นต้นถ้ามองในลักษณะอย่างนี้เราท่านทั้งหลายก็จะเกิดความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าค่อนข้างชัดที่เรียกว่ามีตถาคตโพธิสัต tha คือเชื่อมั่นปัญญาของท่านผู้เป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้งสีได้ด้วยตนเองนีนะ เหตุผลถ้าเรามองดูทางด้านของเหตุที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาและผลที่พระองค์ทรงได้รับเนี่ยมันก็จะมองไปที่เหตุและผลเมื่อเราไปไตรตรองมีความเชื่อแล้วเข้ามาฟังฟังเกิดการศึกษาเรียนรู้ปัญญาก็จะเกิดร่วมกันกับปัญญากับศรัทธานั่นแหละเมื่อปัญญาเข้าไปรู้ลึกมากรอบรู้ลึกรู้รอบกว้างแล้วก็รู้ชัดรู้รอบรู้ลึกทั่วมากเท่าไหร่ตัวศรัทธา ก, ก็จะแนบแน่นไปตามกาลังของปัญญามาก เท่านั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตถาคตโพธิสัต tha เชื่อมั่นอย่างรากลึกสู่ญานปัญญาค่อนข้างชัดนี่แปลว่าเชื่อมั่นในองค์ของพระพุทธเจ้าที่บอกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถ้าเรามองนี้ก็จะเห็นค่อนข้างชัดก็คําว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยต่างจากบุตุชนอย่างไรพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้โดยการฝึกผลพัฒนายอย่างไรจเจริญยานปัญญาให้เกิดขึ้นเห็นเหตุเห็นผลอย่างไรทํากิเลสให้หมดจด หมดเสิ้นจากขันธสันดานจึงกลายเป็นพระาทหารได้ ด, ด้วยตนเองอย่างไรเป็นตน้นไกลจากกิเลสตต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและสอนผู้อื่นให้ตัดสรู้ด้วยพระองค์ดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาเข้าถึงอนุ ป, ปาทานปฏินิพพานและไม่กลับมาเกลือกลกล้วกับกิเลสและกองทุกข์อย่างไรอันนั้นก็เป็นรายละเอียดที่เราต้องเมื่อปัญญาไปอย่างรากลึกในพระพุทธคุณไม่ว่าในส่วนของพระจลีพระจริยาคุลพระสรีละคุณหรือพุทธคุณเนี่ย ความแนบแน่นของศรัทธาก็จะตามปัญญาไปทุกส่วนนี่คือลักศรัทธาที่ถูกต้องพอพิจารณาไตรตองมองเห็นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาก็เลยแยกแยะในส่วนของพระพุทธคุณในส่วนของความเชื่อมั่นในธรรมะธรรมะก็คือเชื่อมั่นในหลักของความจริงที่เป็นอริยสัจธรรมทั้ง4ี่และความดีงามที่บุคคลระดับพระพุทธเจ้าที่เรียกบุคคลต้นแบบถ้ามองอย่างนี้ ก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ปฏิบัติเห็นผลประจักษ์กับตนเองมาก่อนเรียกว่าค้นพบแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบพบแล้วก็นำมาเปิดเผยทีนี้ธรรมะเนี่ยเป็นสภาวะที่ดำรงอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมันเองนะเขาเรียกเป็นกฎอันแน่นอนเขาเรียกเป็นนิยามนี่แห่งเหตุและผลครว่าแน่นอนในที่นี้เาเรียกนิยามเป็นกฎธรรมชาติไม่ขึ้นกับการอุบัติเกิดขึ้นของวัตฏาคด ไม่ว่าจะมีใครคนพบหรือไม่นั่นเป็นกลางแล้วก็เที่ยงธรรมต่อทุกคนท้าทายต่อปัญญาและการเพียรพยายามในการฝึกอบรมตนของมนุษย์งั้นบุคคลทุกคนเมื่อพัฒนาให้ถึงพร้อมมีปัญญาแก่กล้าพอแล้วก็รู้และรู้ถึงได้ประจักษ์กับตนเองเมื่อรู้หรือบรรลุแล้วก็สามารถแก้ปัญหาดับทุกข์หลุดพ้นเป็นอิสระได้จริงเนี่ย ลักษณะของการที่ว่าพระธรรมแล้วก็มองเห็นในหลายส่วนธรรมะที่ในส่วนของที่เป็นทั้งโลกียะและโลกุตตะลธรรมะมีหลายระดับเนาะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าธรรมะในระดับศีลไม่ว่าจะเป็นปฏิโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีล อ, อาชีวประลิษตที่ศีลปัจจยาศนิสิตาศีลหรือในส่วนของตัว สมาธิในส่วนของสมาธิหรือในส่วนของปัญญาฉะนั้นในลักษณะของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นหลักของธรรมะนะหรือจะพูดลึกลงไปก็คือมรซีผล4ีนิพานหนึ่งแล้วก็ปริยัติธรรมอีกหนึ่งก็เรยรวมเป็นพระสัจธรรมในสิบประการแต่ธรรมะเนี่ยกดความจริงธรรมชาติเนี่ยถ้าเรามองในส่วนของคําว่า ธรรมชาติโอ้โหเยอะเลยเช่นธรรมชาติของผัสธรรมชาติของธาตุดินก็มีลักษณะแข็งและอ่อนหนักเบาเป็นต้นธรรมชาติของไฟก็เย็นร้อนธรรมชาติของลมพยุงและผลักดันธรรมชาติของน้ําไหลและก่อกลุ่มอันนี้ก็เป็นกลุ่มของธรรมชาตินะธรรมชาติของผัสสะก็กระทบอารมณ์ธรรมชาติของเวทนาก็สวยอารมณ์ธรรมชาติของสัญญาก็จําเนี่ยธรรมชาติของ จิตก็รู้อารมณ์หรือธรรมชาติของวิตกก็ย ก, กจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นต้นมันมีธรรมชาติอย่างเนี้ที่ธรรมชาติของสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็เป็นธรรมดาธรรมชาติที่มันอย่างนี้ถ้าไปแยกเป็นกลุ่มนิยามก็ได้เป็นอุตตุนิยามก็ได้ความกดความหญิงธรรมชาติตินณภ า, ากาิที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้หรือพีชนิยามกดความหญิงธรรมชาติเกี่ยวในเรื่องของพันธุ ก, กรรม มีต้นไม้ใบหญ้าเป็นต้นตลอดถึงหลักพันธุกรรมทั้งหลายถ้าจิตนิยามก็กดความจริงหรือธรรมชาติของจิตที่มีการเกิดดับสืบต่อไม่พอจิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้กลิ่นจิตริมรสจิตสัมรู้สมผัสถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเป็นไปธรรมชาติเป็นกฎตายตัวแน่นอนของเขาว่าถ้าจักรคุญาณเกิดขึ้นก็กระททัศนกิจคือเห็น โสตวิญญาณเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่สภวิกิจในการได้ยินคานวิญญาณเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่สายานิกิจก็คือรู้กิจนชิวหาวิญาณเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่ในการรู้รสกายวิญญาณเกิดขึ้นกระทำหน้าที่ในการรู้ถูกต้องสัมปติชนะเกิดขึ้นกระทำหน้าที่รับอารมณ์สันติริรณกิจเกิดขึ้นกระทำหน้าที่ในการไต่สวนโวัฏทะปณกิจกระทำหน้าที่ตัดสินชาวนะกระทำหน้าที่เสพอารมณ์ตถารรมดาก็ะทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากัชาวนะ พวังก็ทำหน้าที่ในการเป็นองค์เหตุพบเป็นต้นเหล่เนี้เห็นไหมก็เรียกว่า <c oughs> จิตนิยามก็คือความแน่นอนในการทีนี้ในอีกส่วนนิยามอย่างหนึ่งเขาเรียกกรรมนิยามอันนี้ก็เป็นกฎความจริงของธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเจตนากรรมว่าถ้าหากว่ากรรมดาให้วิบากดากรรมขาวให้วิบากขาวกรรมทั้งดาและขาวให้วิบากทั้งดาและขาวค้าเคล้ า, ากันไป กรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีมวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนั้นเป็นโัวที่ปากบ้างเป็นมักกักรรมเป็นต้นบ้างเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้ก็มาประชุมลงในหลักของธรรมนิยามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นกฎใหญ่เลยเนี่ยนยีทั้งหมดเหล่านี้ก็คือ น, นี่แหละเชื่อมั่นในพระธรรม เชื่อมั่นในพระธรรมก็ดังที่ว่าเป็นไปตามธรรมดาของมันเป็นกฎเกณฑ์อันแน่นอนคือมีนิยามเองเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นกฎธรรมชาติที่นี่ในะธรรมชาติมันก็ลงสู่ธรรมดาคือกฎกรรมนิยามคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแล้วก็ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามองถึงในลักษณะว่าที่เรารู้คาสอนได้เนี่ยถ้าเป็นธรรมจริญานี่เป็นข้อปฏิบัติ คือธรรมจริยาระดับศีลธรรมจริยาระดับสมาธิธรรมจริยาระดับปัญญาที่เป็นธรรมจริยาส่วนธรรมเทศนาเน้นหมายถึงคํำสอนอันนี้เป็นคําสอนเพราะเราได้คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เลยดําเนินไปธรรมจริยาแล้วก็ไปเห็นกฎความจริงของธรรมชาติเห็นธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นต้นทีนี้ความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นในสง์ สงก็คือชุมชนหรือสังคมแบบอย่างที่เป็นพยานยืนยันมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมีความสามารถที่จะรู้ถึงความจริงความดีงามสูงสุดได้อย่างบุคคลต้นแบบคือระดับพระพุทธเจ้าเป็นผู้อย่างยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกพะพวตนะสุก็สามารถให้ทําให้มนุษย์ท่านแรกหรือท่านัญญาโกนัญญาได้ดวงตาหินธรรมเป็นพระโสดา บ, บันจากผุ้ดุชนก็เลยเข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์ฉะนั้นบุคคลลักษณะอย่างนี้เขาเรียก ถ้าสร้างบุคคลที่เป็นอริยะได้เมื่อไหร่เมื่ออริยะมีมากขึ้นเขาเรียกเป็นชุมชนของอริยะเนี่ยเป็นบุเป็นชุมชนที่เป็นแบบอย่างเป็นชุมชนที่เป็นหลักเป็นคีนครินของสังคมก็เป็นชุมชนที่สะอาดเป็นพยานยืนยันว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยมีความสามารถที่จะรู้ถึงความจริงความดีงามสูงสุดได้อย่างบุคคล ต้นแบบคือระดับพระพุทธเจ้าแต่ชุมชนหรือสังคมนั้นจะมีขึ้นได้เนี่ยเป็นไปได้ก็ด้วยการยอมให้ธรรมะคือความจริงความดีงามปรากฏผลประจักษ์ออกมาทางบุคคลด้วยการปฏิบัติคือบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เป็นระดับอารยาชนเนี่ยเป็นบุคคลที่รู้ตามพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้หรือไม่ก็ต้องเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในพระธรรมที่พระองค์แสดง พุทธเจ้าแสดงทุกแสดงเหตุให้เกิดทุกแสดงความดับทุกคือพันิพานแล้วหลักการก็คือแสดงข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นหลักการเอามาประชุมในกระแสชีวิตแล้วทําให้กระแสชีวิตดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงถ้าหากสามารถกระจัด ก, กิเลสออกได้แล้วเข้าจากบุญชนเข้าสู่ความเป็นอริยะแล้วเนี่ยก็ปรากฏผลจากการปฏิบัติชุมชนหรือสังคมเนี่ยประกอบด้วยบุคคลหลากหลาย ผู้ที่ฝึกปรือศึกษาซึ่งมีความสุกงอมแก่กล้าไม่เท่ากันก้าวหน้างอกงามอยู่ในระดับแห่งการพัฒนาต่างๆกันแต่มีความเป็นไปอันหนึ่งอันเดียวกันนะเพราะมีหลักการร่วมกันมีธรรมะเป็นแกรนร่วมด้วยมีธรรมะเป็นเครื่องวัดเป็นที่รองรับผลประจักษ์และเป็นที่แสดงออกของธรรมะจึงเป็นชุมชนที่มีความดีงามหน่งหน้าชื่นชมมากควรที่จะเชิดชูรักษาและก็เข้าร่วม เพราะเป็นสังคมที่มีสภาพเอื้อมหนวยมากที่สุดแก่การที่จะดำรงธรรมะให้สืบต่อไปในโลกเป็นแหล่งแพร่ขยายความดีงามและประโยชน์สุขแก่ชาวโลกไนดะ้ชุมชนลักษณะอย่างนี้ที่พระเจ้าพยายามร้างแล้วก็ก่อให้เกิดขึ้นมาได้จริงเช่นชุมชนในของอริยชนที่เป็นบนรรพชิตมีท่านัญญาโกณัญญาวป่าพัทิยามาหานามะอาสัชช ยส า, าวิมาราสุภาหูปุนาชีความปฏิสายค่ะสิงเนี่ยที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานี่เป็นชุนชมเป็นชุนชมระดับบรรพชิตและในขณะเดียวกันถ้าเป็นกลุ่มพ่อของยสาว่แม่ของยาสาวภรยาเก่าของท่านยาสาเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นชุมชนที่เป็นเครือขัดถ้าเราดูจากในสมัยครั้งพุทธการถ้าเราดูอย่างที่พระเจ้าแสดงพัทวคีทั้ง30แล้วต่อมาท่านเหล่านั้นก็บวชทั้งหมดนี่เป็นชุมชนอารียาที่เป็นบรรพชิตหรือชดิน3าพี่น้องพร้อมบรณิวานหนึ่พันเนี่ย พอหลังจากฟังธรรมแล้วท่านเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นเป็นเข้ามาสู่เป็นบนรรพชิตแล้วต่อมาพระเจ้าก็มาแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมได้บริวารสิบสอหนหุบบรรลุทรัพยบเอหนหุปก็คือแสนหนึ่งหมื่นท่านเนี่ยอันนี้แปลว่าชุมชนเกิดขึ้นแล้วอย่างมหึมาอย่างยิ่งใหญ่เป็นชุมชนระดับต้นแบบเป็นหมู่อารียชนเป็นหมูอ่อารยชนชุมชนลักษณะนี้เป็นชุมชนที่น่าเข้าร่วมควรที่จะผนึกและทําให้เกิดขึ้นมาได้ การเชื่อมั่นในชุมชนเหล่านี้มีได้จริงนะถ้าสามารถประพฤติตามหลักการที่พระ อ, องค์ทรงวางหลักการไว้แล้วเข้าถึงคุณธรรมระดับศีลก็สามารถปรับพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีงามได้ระดับจิตใจถ้าฝึกความเพียรที่สร้างสรรค์สติและสมาธิก็จะสามารถกาจัดนิวรธรรมออกขึ้นมาได้ก็จะเข้าถึงความงามระดับสมาธิ ถ้าหาเข้าถึงระดับสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกปะความดําริที่ถูกต้องเป็นวิปัสนาญาณจนประชุมในอริยมรรยาผลได้ก็จัดคาจัดกิเลสซึ่งเป็นอนุสัยแหกิเลสที่ฝังแน่นในขันธสันดานก็กลายเป็นบุคคลที่เป็นจากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนจากมนุษยธรรมดาก็ถึงความเป็นพุทธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นถ้าเป็นบรรพชิตก็เป็นชุมชนของนักบวชถ้าเป็นขึ้นหัดผู้ครองเรือนก็เป็น ชุมชนของเครื่องหัดถที่ดีที่สุดเป็นชุมชนที่เป็นแบบอย่างแล้วก็มีสภาพที่เอื้ออำนวยมากที่สุดแก่การที่จะตาลงธรรมะให้สืบต่อไปในโลกเป็นแหล่งแพร่ขยายความดีงามและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกอย่างแท้จริงนี่แหละลักษณะอย่างนี้ก็เลยรวมความว่าศรัทธาสามอย่างได้แก่ความมั่นใจว่าความจริงความดีงามและกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผล ที่มีอยู่ตามธรรมดากับธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมีความสามารถที่จะเข้าถึงและยังรู้ความจริงความดีงามและกฎธรรมชาตินั้นได้และได้มีบุคคลผู้ประเสริฐ ท, ที่ได้ค้นพบเข้าถึงและนำความจริงนั้นมาเปิดเผยเป็นเครื่องยืนยันและนำทางไว้ผู้ที่มีความมั่นใจในกฎธรรมดาแห่งเหตุผลและมั่นใจในความสามารถของมนุษย์นั้นแล้วย่อมจะเกิดความ ก, วกล้าอาอหาญเพียรพยายามในการปฏิบัติเพื่อให้ผลสมำเร็์ เกิดขึ้นจากการกระทําเชื่อการกระทําและก็ผลของการกระทําที่เป็นไปตามนิยามย่างเหตุและผลนั้นย่อมมีหลักประการความเข้มแข็งทางด้านจริยธรรมอย่างแท้จริงทีนี้ความเพียรพยายามศึกษาให้รู้และเข้าใจและกระทําตามเป็นไปตามเหตุและปัจจัยอย่างมั่นคงไม่หวังอํานาจผลดลบันดาลจากเท พ, พเจ้าหรือจากสิ่งภายนอก และมั่นใจว่าสังคมที่ดีงามหรืออุดมคตินั้นน่มนุษย์สามารถช่วยกันสร้างขึ้นได้และก็ประกอบด้วยมนุษย์เป็นผู้ดำเนินชีวิตที่ดีงามตามเหตุและผลนั่นเองจึงได้ฝึกอบรมตนเพื่อเข้าถึงธรรมะและก็บรรลุ ค, คุณความดีวิเศษอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงสรุปอย่างหนึ่งก็คือเมื่อตรองตามเหตุผลแล้วก็มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จริงแล้วก็ดีจริง พระเจ้าเป็นผู้ที่ทั้งตลอดอริยสัจจริงและพระทเจ้าเป็นบุคคลที่ดีจริงๆมีเชื่อมั่นในพระพทธเจ้าทุกอย่างไม่ว่าจะตั้งด้านของจริยาคุณสรีระคุณพระพุทธคุณมีเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วก็จึงเชื่อธรรมะที่พระองค์ตรัสเป็นความดีจริงและเชื่อว่ามูชนที่อยู่ด้วยธรรมะนั้นมีได้จริงแล้วก็ได้มีจริงควรให้มีแล้วก็ควรเข้าร่วมจริงด้วย มันก็เลยกลายเป็นจากตถาคตโพธิสัตถาก็เลยกลายเป็นรัตนัตยตสัทธาก็เลยเชื่อมั่นในพระรันาตนไตรอันดับแรกก็เชื่อมั่นพระพุทธเจ้า ว, ว่ารู้ดีจริงก็พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จริงรู้จริงแล้วก็ท่านผู้นี้ดีจริงนี่เป็นเชื่อมั่นในองค์งพรุทธเจ้าและเชื่อมั่นธรรมะที่พระองค์ตรัสว่าตรัสจริงดีจริง ว่าธรรมะนี้บระรยาตรัสหลักการในอริยสัจจะทำทั้งสีว่าดีจริงๆธรรมะนี้ดีจริงๆและความคำตัดนี่เป็นคำตรัสที่จริงเลยนะดีจริงด้วยนะและเราเชื่อมั่นมู่ชนที่อยู่ด้วยธรรมะนั้นว่ามีได้จริงและไม่ใช่แค่นั้นยังเชื่อมั่นว่าได้มีจริงได้มีมาแล้ว ควรให้มีไหมควรให้มีนะครับควรจะเข้าร่วมไหมควรเข้าร่วมแปลว่าต้องฝึกตนเองจากบุตรชนก็สู่ความเป็นอริยะเพื่อจะเข้าร่วมในชุมชนนั้นคุณจะอยู่ในฐานะเป็นชอบการเป็นบรรพชิตหรือเป็นกัลวาสไม่สําคัญสําคัญว่าคุณสามารถที่จะฝึกพัฒนาตนเองจากบุตุชนก็สู่ความเป็นอริยะได้จากมนุษย์ธรรมดาเข้าถึงความเป็นพุทธะได้เพราะมีธรรมะที่เป็นหลักการปฏิบัติ ได้จริงมีเหตุผลอย่างแท้จริงไปไปตามกฎธรรมดาด้วยและมีท่านผู้รู้ระดับพระพุทธเจ้าเป็นผู้วางระบบไว้เต็มที่เต็มระบบกระบวนการเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะน้อมหันมาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ฉะนั้นตรงนี้แหละเราก็มาพูดกันจังว่าเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงค์พอพูดกันอย่างนี้บางทีเราก็เข้าไม่ถึง บางทีเราก็ยังศรัท ธ, ธาความเชื่อมั่นของเราให้เกิดขึ้นไม่ได้จริงเนี่ยประเด็นเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะก็คือเมื่อไม่มีความเชื่อมั่นความก ล, ากล้าก็ไม่ตามมาพราะไม่มีความกล้ า, ก, ลาการจะพัฒนาความสติความระลึกได้ทั้งหลายเหล่านี้ยิ่งเป็นไปยากเลยนี่ยความเพียรพยายามในการที่จะเข้าถึงก็ยิ่งห่างไกลเข้าทุกทีอย่างนี้เป็นตน้นสรุปก็คือว่าต้องการให้เราท่านทั้งหลายเกิดภาวะที่เรียกว่า มีรัตนัตยะตัทธาเชื่อมั่นอย่างรากลึกลงสู่ปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระ ร, ริยสงฆ์พุทธะก็คือเป็นสภาวะที่นำเราออกจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระกลับเข้าหาสิ่งที่เป็นสาระธรรมะก็คือทำให้หมู่สัตว์ทั้งหลายพ้นจากกันดานคือพบ การไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็อสุรากายหรืการจมอยู่ในวัฏฏะทั้งหลายเหล่านี้นเป็นกันดายสังขาก็คือเป็นบุคคลหรือเป็นชุมชนที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะเข้ารู้เพราะเป็นชุมชนที่ดีจริงมีอยู่จริงนะนี่ประการแรกนี่พูดถึงในเรื่องของศรัทธาฉะนั้นถ้ามีรัตนนตยัตสัทธาแล้วเนี่ยไอศรัทธาอย่างอื่นมันจะตามมาเนี่ย มันจะมีกรรมศัทธาวิปากษัตธากรร ม, มสักตาศัทธาเป็ ต, ต้นอะไรเนี่ยเชื่อกรรมเชื่อวิบากแล้วก็เชื่อสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นตนน้นอภรรการต่อมาคือศีลศีลคืออะไรเนี่ยระเบียบความประพฤติเราจะบอกถึงเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอาวิธกรรมศีลเนี่ยพูดอย่างนี้เจาะลึกลงไปจะเข้าใจเยอะถ้าบอกว่าเออระเบียบความประพฤติหรือถ้าจะพูดให้เต็มความหมายอย่างแท้จริงก็คือว่าระเบียบความเป็นอยู่ ทั้งส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายวาาิญญาตลอดถึงการทํามาหาเลี้ยงชีพเนี่ยซึ่งได้กำหนดไว้เพื่อทำให้เกิดความเป็นอยู่นั้นกลายเป็นสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติกิจต่างๆที่เป็นไปเพื่อการเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามอันนี้เป็นอุดมคติของคนในสังคมและชุมชนนั้นด้วยโดยทั่วไปนะถ้าพูดถึงในเรื่องของระเบียบความประพฤติเนี่ยมีลักษณะที่เป็นตัว เป็นการปิดกั้นโอกาสที่จะทำชั่วศีลหรือวินยันนยถึศีล ร, ร, ระดับวินยัยระดับศีลวินัยระดับธรรมะศีลระดับวินัยกับศีลในระดับธรรมะถ้าพูดถึงตัวศีลตัวระเบียบนี่นะมีลักษณะเป็นตัวปิดกั้นโอกาสที่จะทำชั่วศีลแต่ละข้อเป็นแบบนี้ปิดกั้นโอกาสที่จะทำชั่วเช่น ปฏิบาติก็ปิดกั้นโอกาสที่จะฆ่าปิดกั้นโอกาสที่จะไม่ให้กระแสชีวิตไปฆ่าปิดกั้นโอกาสในการที่จะไม่กระแสชีวิตไปลักทรัพย์ปิดกั้นโอกาสในการที่จะไม่ให้กระแสชีวิตนี้ไปประพฤติผิดในการมปิดกั้นโอกาสที่จะไม่ให้กระแสชีวิตนี้ไปพูดเท็จส่อเสียดกับอย่าเพื่อเจือปิดกั้นโอกาสในการที่จะไม่ให้เอาของมึนเมาเข้าสู่กระแสชีวิตอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นตัวปิดปิดอะไรปิดโอกาสที่จะทำชั่วชั่วและก็ส่งเสริมโอกาส สำหรับทำความดีเนราะพอปิดแล้วเนี่ยก็เลยเปิดโอกาสศีลเลยมีสองส่วนทั้งปิดและเปิดปิดจากการฆ่าเปิดโอกาสให้มีการุณาให้มีเมตตาปิดจากการรักไม่ให้กระแสยึดไปรักแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการให้สละและแบนปันปิดโอกาสที่จะไม่ประพฤติผิดในกรรมเปิดโอกาสก็คือขวนขวายให้คนเขาได้อยู่ดีมีความสุขครอบครัวเขาอยู่เย็นเป็นสุข ปิดโอกาสที่จะไม่พูดเท็จเปิดโอกาสให้พูดสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยดีงามปิดโอกาสในการที่ไม่พูดคำหยาบ ก, ก็เลยเปิดโอกาสให้พูดคาําไพ่ล็อกปิดโอกาสในการที่จะพูดให้คนแตกแยกกันเปิดโอกาสให้พูดให้คนสมัครสมานสามัคคีกันปิดโอกาสที่จะไม่พูดเพื่อเจ่อเปิดโอกาสให้พูดสมัครให้พูดคําสัตย์คําจริงก็ไม่พอยังพูดสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นอันศีลเนี่ย และเป็นตัวปิดโอกาสที่จะไม่ให้กระแสชีวิตนะจมอยู่ในความชั่วและเปิดโอกาสให้กระแสชีวิตดําเนินไปสู่ความดีงามอย่างนี้เป็นต้นโดยฝึกคนให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์ด้วยทางกายวาจาที่ดีงามกับสภาพแวดล้อมที่จะก่อผลเอื้ออํานวยแก่ ก, การดํารงอยู่ทั้งของตนเองและชุมชนและสังคมของตนแล้วก็เอื้ออํานวยแ ก, ก, ก, ก, ก่การทํากิจต่างๆที่ดียิ่งิ่งขึ้นไปนะพร้อมกันนั้นก็เป็นการอบรมชีวิตด้าน พฤติกรรมทางกายทางวาจาของบุคคลนี่มีความพร้อมยิ่งยิ่งขึ้นไปในอันที่จะสวยผลหรือจะทำกิจเช่นนั้นให้บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นทางด้านความสัมพันธ์กับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมคือการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยศีลโดยมากจริงๆเขาที่พาทรงบัญญัติเนี่ยระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์แต่โดยมากเราจะเข้าใจกันผิด ยังจเข้าใจกันผิดคนบางคนเนี่ยโอ้ยกับสุ น, นัข ก, กับแมวกันอะไรเนี่ยโอ้โหดีงามปฏิบัติต่อกันเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ห้ามนไม่ให้เลี้ยงหนึ่งแต่ไป โ, โหถ้าสุ น, นัขแมวเอยเป็ดไก่ทั้งหลายที่เอามาเลี้ยงไว้ตนเองประครบประงมแต่ขัดแย้งกับคนในบ้านอันนี้บ่งบอกกับคุณไม่เข้าใจว่าศีลในด้านของอริยการตศีลมีไว้เพื่ออะไร จริงๆนั้นให้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้มนุษย์ต่อมนุษย์ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องดีนถ้ามนุษย์ยังแปลกแยกกับมนุษย์ก็คือไม่สามารถที่จะสัมพันธ์กันได้ด้วยดีแล้วเนี่ยมีการแปลกแยกกันคัดแย้งกั น, นอันนี้บ่งบอกได้เลยว่าเป็นการเจริญศีลที่ไม่ถูกต้องดีงเพราะศีลเนี่ยเจตนาเนี่ยที่จะไม่ละเมิด ที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้กฎระเบียบ ก, กฎเกณฑ์กติกาและไม่ละเมิดบุคคลด้วยนะ <c Sched ule> ไม่ละเมิดบุคคลหรือกระแสชีวิตของบุคคลหรือทรัพย์สมบัติเป็นต้นของบุคคลนี้เป็นตน้นฉะนั้นถ้ามีเจตนาที่เป็นกุัวกุศลสีนิ่งจริงเจตนาจึงถักเป็นตัวปิดปิดกั้นบาปนะปิดกั้นความชั่วไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ความชั่วนั้นเข้าสู่กระแสชีวิต และเปิดโอกาสให้กระแสชีวิตนี่ทำสิ่งที่ดีงามพอทำสิ่งที่ดีงามก็เลยเป็นการปฏิบัติสัมพันธ์กับสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพื่อว่าในสภาพที่เกื้อกูลกันเช่นนั้ น, นสมาชิกแต่ละคนนอกจากจะสามารถทำตนให้อยู่ได้ด้วยดีแล้วก็มีโอกาสจะทำสิ่งที่ดีงามและพัฒนาตนให้เข้าถึงสิ่งที่มีคุณค่าที่สูงขึ้นไปอีกด้วยนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ทีนี้สำหรับสังคมของมนุษย์ในในวงกว้างเนี่ยระเบียบความประพฤติทั้งหลายเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดก็คือศีลขั้นพื้นฐานที่จะสร้างสภาพที่เอือ้อหรือเกื้อกูลให้เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของศีลหาการศีลหก็คือ 1. ไม่ละเมิดต่อชีวิตไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินหรือต่อของรักของกันและกัน และการไม่ใช้วาจาละเมิดความจริงเพราะเห็นแก่ตนและมุ่งทำร้ายผู้อื่นและการไม่ยอมทำลายสติสัมปชัญญะหรือความสำนึกผิดชอบชั่วดีของตนเองด้วยการตกไปเป็นอำนาจของสิ่งเสพติดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเข้าใจในกระบวนการลักษณะของตัวศีลเนี่ยว่าเป็นหลักที่ฝึกฝนพฤติกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามจริงๆส่วนถ้าเรามองถึงในเรื่องของระเบียบความประพฤติซับซ้อนไปกว่า น, นะนั้นก็ยอม ก็คือย่อมรวมไปถึงข้อกําหนดกฎเกณฑ์ในะขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามและเพื่อให้เกิดสภาพการดํำรงชีวิตอยู่เอื้อต่ อ, อการที่เข้าถึงจุดหมายของชุมชนนั้นๆสังคมเป็นต้นเหล่านี้ด้วยทีนี้ถ้าเราจะมองถึงว่าถ้าเป็นบุคคลที่ต้องการจะฝึกหัดขัดเกลาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่อยู่แค่5เช่นบางคนก็พัฒนาว่าตั้งแต่เที่ยงไปแล้วเป็นศีลข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8 อันนั้นเป็นเรื่องของการขัดเกลื่ที่จะไม่ตามใจกิเลสนะตามใจเช่นตั้หาเกี่ยวกับการติดต้วเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วก็ไม่เอาของเคี้ยวของกินเข้าสู่กระแสชีวิตหรือการประดับประดาตกแต่งการนอนในที่นอนนั่งและโอ่อาและสวยงามเป็นต้นอะไรนี้ก็คือทั้งหมดเหล่านี้ก็คือการที่ฝึกตนเองไม่ใช่อยู่เพียงแค่ ตนเองและสังคมนะฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ในทางพุทธศาสนาศีลตามความหมายก็คือว่าทําให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่เอื้อเอื้อกูนต่อการปฏิบัติกิจต่างๆรวมทั้งการพัฒนาตนเพื่อการเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามโดยลาดับจนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตก็ศีลเป็นปัจจัยแก่ปลาโมดพิธีประสธิสุขสมาธิยถาภูติยานทัทธสนาเป็นต้นเหล่าเนี้นะ อันนั้นก็คือหมายความว่านอกจากว่าเป็นการพัฒนาตนเองและการเกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติกิจต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังพัฒนาเพื่อให้ถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตได้ด้วยเป็นปัจจัยนะประการต่อมาก็คือว่าทําให้สมาชิกชุมชนหรือชุมชนที่อยู่ร่วมกันได้ดีสังคมสงบเรียบร้อยสมาชิกต่างดํารงอยู่ได้ดีและมุ่งหน้าปฏิบัติกิจของตนด้วยความสะดวกการอยู่ด้วยกันเนี่ย ที่เรียกว่าไม่แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ก็คือตัวกุศลศีลก็คือเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วสามีอยู่กับภรรยาพ่อแม่อยู่กับลูกลูกก็อยู่กับพ่อแม่พี่อยู่กับน้องปู่ป้าพุทน้านะอาเพื่อนๆอยู่กันกับเพื่อนหรือการปฏิบัติต่อกันทั้งหลายเหล่าเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลูกกับพ่อแม่พ่อแม่กับลูกสามีภรรยา เจ้านายกับลูกน้องครูกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยก็พูดสภาพสังคมที่จะเอือ้อหรือเชื่อมสัมพันธ์กันได้ดีเนี่ยอะไรเป็นตัวเชื่อมก็ศีลก็ทําให้ไม่แปลกแยกแล้วก็มีความสุขร่วมกันได้ฉะนั้นถ้าคนปฏิบัติหรือเจริญกุศลศีลจริงหนึ่งก็จะได้ความสุขจากการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ไม่แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ไม่ขัดแย้งเพราะอะไรเพราะมีเจตนาที่เป็นกุศล เพราะมีเมตตากยายกรรมเมตตาวาจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีเป็นตัวเหล่า น, นี้เป็นการปฏิบัติร่วมกันค่อนข้างดีงามไอตัวนี้เลยเป็นตัวเชื่อมประสานตัวเมตตาเป็นตัวเชื่อมกรุณาเป็นตัวเชื่อมมุติตาเป็นตัวเชื่อมและการวางใจเป็นกลางในการปฏิบัติต่อกันเพื่อจะให้แต่ละคนได้ฝึกผลพัฒนาตัวเองก็เลยเป็นตัวเชื่อมประสานและยึดโยงอย่างดีอันนั้นคือศีลนั่นเองที่กำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดียงาม แต่สังเกตได้ว่าคนที่ไม่มีความสุขกับการรักษาศีลแล้วก็เป็นคนที่แปลกแยกแล้วก็มีอัตลักษณ์มีทัศนคติเฉพาะตัวปฏิบัติศีลได้เป็นพักๆมีเยอะเต็มไปหมดพูดกันแทบตายก็ไม่เข้าใจเรื่องศีลนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเพราะจริงๆแล้วเลยกลายเป็นอยู่ในตำราแล้วเอาออกมาใช้ไม่ได้จริงเรียนรู้กันยิ่งเรียนมาก บางคนเรียนทั้งบาลีจบประโยคเก้าเรียนทั้งอภิธรรมจบอภิธรรมบัณฑิตเรียนคัมภีร์ต่างๆรูปประสิทธิ์ที่เป็นต้นจบหมดเลยนะในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาอ่านวัตริพิดกมาหลายรอบแต่เป็นคนมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเข้ากับคนไม่ได้ไม่มีความสุขกับการอยู่กับหมูนะ่คณะกับกายเป็นคนปลีกตนเองมีเฉพาะ อยู่กับพ่อแม่ก็เข้ากับพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกก็เข้ากับลูกไม่ได้อยู่กับสามีภรรยาเข้าไม่ได้มันหงุดหงิดคับข้องไปหมดเลยอันนี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่าตัวกุศลศีลไม่ได้เกิดจริงแปลว่าคุณแตกแยกจากเพื่อนมนุษย์เรียบร้อยเห็นหมมันไม่ได้ไม่อยู่กันไม่ได้อยู่กับการศึกษาและทุกวันนี้ไม่ว่าการศึกษาทางธรรมหรือทางโลกในสุดจริงๆก็การแตกแยกอันดับแรกจริงๆก็คือแตกแยกจากสภาพสังคมสิ่งแวดลอ้อม นกเข้านกเข้าก็คือว่าเราเริ่มอยู่กับธรรมชาติดินน้ําอากาศสายลมแสงแดดเราอยู่ไม่ได้ทั้งๆที่มนุษย์ก็เป็นธรรมชาติรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เป็นธรรมชาติที่มีชีวิตแต่เราอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งธรรมชาติไม่ได้เราไม่สามารถจะอยู่ได้เมื่อไม่สามารถจะอยู่ได้ที่หนักไปกว่า น, นั้นทําลายธรรมชาติก็อีก ละเบียดเบียนธรรมชาติด้วยสร้างวลภาวะเต็มไปหมดในโลกใบนี้อันนี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่าระดับศีลมีปัญหาเน้นะเพราะศีลต้องไม่เบียดเบียนต้องไม่มีการประพฤติแปลกแยกแบบนี้ระดับศีลระดับปัญญาที่จะเป็นอรียกกนตศีลเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนี่ในลักษณะแบบนี้นี่นี่คือเป็นปัญหาในเรื่องของการของการประพฤติปฏิบัตินี่แปลกแยกสองแปกแยกจากเพื่อนมนุษย์ พอแตกแยกจากเพื่อนมนุษย์ก็หมายความว่าเราไม่มีความสุขเลยพราะไม่มีความสุขกับการที่จะอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองอยู่กับพ่อแม่ไม่มีความสุขอยู่กับพี่น้องไม่มีความสุขอยู่กับเพื่อนก็มีมีความสุขก็ไปหาสิ่งเสพอย่างที่เรามีกันอยู่เนี่แหละ iPad iPhone ปัจจุบันมีเยอะแยะหมดแล้วก็ชอบเก็บตัวดูหนังฟังเพลงก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปอันนี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่าตอนคุณเรียนธรรมะแทบตายคุณก็ สอบตกและในข้อเท็จจริงในการปฏิบัติเข้าจริงๆคุณไม่สามารถที่จะสักเอาตัวกุศลศีลมาเกิดขึ้นหรือมาใช้ในการดําเนินชีวิตได้จริงอันนี้เป็นปัญหาแล้วอันนี้แตกแยกจากเพื่อนมนุษย์เรียบร้อยไปแล้วที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่าแตกแยกจากกิจกรรมของชีวิตก็คือการดําเนินชีวิตเนี่ยถ้าเป็นผู้มีศีลจริงๆเขาจะมีความสุขในการดําเนินชีวิตในการปัดกวาดเช็ดถูในการ ดูแลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นในการดําเนินชีวิตเนี่ยในการทํากิจกรรมทําไมคนมีศีลยังมีความสุขคนมีศีลมีความสุขก็เพราะว่าเจตนาที่เป็นตัวกุศลศีลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเจตนจาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิตริมศีลเวลาเกิดขึ้นนะจะมีความไม่โลภความไม่โกรธเจดึงเจตน า, าเป็นกุศลเจตน า, าที่จะกระทําให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเจตน า, าที่จะทํา ปฏิบัติในกิ จ, จวัตรของตนเองในกิ จ, จการงานตนเองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและในขณะที่ดําเนินชีวิตก็มีความไม่โลภมีความไม่โกรธแล้วก็มีปัญญามีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตในการทํากิจนั้นๆด้วยความสดชื่นและมีความสุขแล้วก็กระทํากิ จ, จ ก, กรรมนั้นๆเป็นไปด้วยความดีงามเป็นต้นด้วย เพราะมันเป็นการพัฒนาตัวกุศลศีลที่มากำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพตนเองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและในขณะเดียวกันก็กระจัดความภาวะที่จะเป็นไปกับการทุศีลได้มีใจที่สะอาดมีกายที่สะอาดมีการกระทาที่สะอาดมีความเชื่อมั่นในคุณความดีละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปด้วย แล้วก็มีตัวคุณธรรมทั้งหลายมีจริยธรรมที่เกิดขึ้นในใจในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและมีความสุขในการกระทําเพราะนอกจากจะกิจกรรมนั้นสำเร็จผลแล้วเนี่ยธรรมะระดับศีเป็นต้นที่ตนเองเข้าถึงระดับเมตตาระดับกรุณาระดับมุทิตาทั้งหลายเหล่านี้ที่ตนเองเข้าถึงได้จริงๆ จ, จ, จากการดําเนินชีวิตที่มากํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม การดำเนินกิจกรรมของผู้มีศีลเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่ากิจก็ทำด้วยสภาพจิตใจก็อยู่ในกุศลด้วยแล้วก็ดำเนินกิจกรรมไปได้ด้วยความเรียบร้อยดีงามเป็นต้นเป็นการฝึกหัดขัดเกลาตนเองกิเลสมันก็เบาบางแล้วก็มีการควบคุมยับยั้งสังวรปรับการแสดงออกมาทางกายทางวาจาให้เอื้อแก่สภาพความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลและอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นต้น เป็นขั้นต้นของการพัฒนาชีวิตของตนให้พร้อมที่จะเป็นที่รองรับของกุศลธรรมที่เป็นที่สงูงยิ่งขึ้นไปเป็นต้นด้วยระดับสมาธิระดับปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ก็อาศัยพื้นฐานของตัวกุศลศีลนี่ที่เกิดได้จริงถ้าเรามองงนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยว่าเราในชีวิตจริงๆเนี่ยโดยมากเราไฝ่หากันในการที่จะจัดคอร์สในการประพฤติปฏิบัติกัน แต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นระบบธรรมะจัดตั้งเป็นระบบธรรมะจัดตั้งระบบธรรมะจัดตั้งมันก็ดีนะแต่มันไม่ใช่ชีวิตจริงมันเป็นระบบที่มันจัดเซตเข้าไว้ซึ่งไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตจริงหรออาจจะไปอยู่กันสาวันห้าวันเจ็ดวันอะไรก็แล้วแต่ก็มีกฎรรเกณฑ์กา ร, ริกามีระเบียบซึ่งระเบียบกฎเกณฑ์กา ร, ริกานั้นเอามาใช้ในบ้านก็ไม่ได้เอามาใช้ในสภาพสังคมความเป็นอยู่จริงๆก็ไม่ได้ ถ้าคนที่เข้าใจในเรื่องของตัวกุศลศีลหนึงเข้าใจศรัทธาเข้าใจศีลเป็นต้นดีจริงๆเนี่ ย, ยก็คือนี่แหละระเบียบสังคมที่เป็นอยู่นี่แหละมันเป็นระบบเรียบร้อยในตัวมันเองอยู่แล้วแต่เพียงว่าเราจะทําให้กุศลศีลนนมันเกิดขึ้นได้ในสภาพจิตใจอย่างไรแล้วก็ดําเนินชีวิตให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีงามได้อย่างไรอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเราไม่สามารถที่จะสร้างชุมชนที่เป็นไป เป็นไปกับ ก, การพัฒนาตัวกุศลศีลได้ได้ดีจริงนะทั้งๆ ท, ที่มันมีอยู่แล้วมันหายไปชุมชนของอริียชนเนี่ยที่ในโสตาปรียงังฆะธรรมเมื่อบุคคลเนี่ยเข้าถึงคือว่าศรัทธาเนี่ยจากบริบูรณ์ที่ไหนบอกบริบูรณ์ที่โสตาปรียงังคะที่กําลังพูดที่บอกมีศรัทธามีศรัทธาในวัดกันที่เนี่ย วัดกันตรงที่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมประสงค์ที่ขยายไปแล้วแล้วก็เมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วก็เลยมาเชื่อมั่นในอริยกันตศีลศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยแล้วก็เป็นไม่มีรูเนี่ยเป็นศีลที่เป็นไทยไม่เป็นธาตุของตันหาที่กําลังพูดกันอยู่นี่แหละเป็นอริยกันตศีลเป็นอป a r a m a t t ีลศีลที่ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิจับฉวยและรูปคําเป็นไปด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจ แล้วรู้รู้รู้จุดมุ่งหมายของการที่จะพัฒนาตัวกุศลศีลได้เกิดขึ้นในชีวิตได้จริงทําไมยังเรียกกุศลศีลเพราะศีลเป็นเกิดขึ้นร่วมกับกุศลจิตที่มากํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้เป็นไปด้วยความดีงามเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของศีลที่แท้จริงมีความรู้มีความเข้าใจในการดําเนินชีวิตด้วยอย่างที่บอกไว้ไม่แปลกแยกกับสภาพสังคมสิ่งแวดแล้อมไม่แปลกแยกกับเพื่อนมนุษย์ และไม่แปลกแยกกับกิจกรรมในการที่ดําเนินชีวิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ง, งามดังที่ได้กล่าวนี้เป็นต้นทีนี้การที่เราจะดําเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้วเนี่ยการที่ศีลห้าที่เราพูดพูดกันก็เป็นปฏิปทาเป็นทางดําเนินของพระโซดาบัตอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะฝึกทําให้เกิดให้มีขึ้นในจริงโอ้โหจะเป็นประโยชน์ได้อย่างมากมายอันนี้ก็พูดถึงในเรื่องศีลนะ นี่ทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เป็นการดำเนินชีวิตที่เป็นไปกับการที่ได้ถูกต้องดีงามได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็คือนิพก็พยายามลงรายละเอียดยพยายามที่จะลงรายละเอียดที่เอามาเป็นหลักปฏิบัติให้ได้จริงๆประการต่อมาเดี๋ยวขึ้นมาย้อนอีกทีนึ่งถ้ามีเวลาสุตตะ ก็แปลว่าสิ่งที่ได้สดับหมายถึงความรู้ที่ได้จากการได้ยินได้ฟังการสดับเรื่องราวข่าวสารต่างๆสุดตะเนี่ยก็คือความรู้ที่ได้จากการศึกษาศรราิลปวิทยาต่างๆเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพและการประกอบกิจกรรมต่างๆทั้งหมดเลยนะแม้จะเป็นสุดตะสมมติว่าสุดตะที่เราเรียนรู้ศรริลปวิทยาทั้งหมดเลยเนะี่ย ทั้งหมดเลย ว, วิชาการต่างๆวิชาการปกครองเรื่องกฎหมายเรื่องการทํามาหากินเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เถอะที่เราเรียนมาทั้งหมดศิละปะวิทยาการต่างๆถามว่าความรู้เหล่านั้นเพียงพอต่อความที่จะเข้าสู่ความเป็นอริยะชนไหมก็ต้องบอกไม่เพียงพออันนั้นเป็นความรู้เขาเราียกวิชาหากินหนึ่งมันเป็นวิชาหากิน ไม่ใช่วิชาที่จะทำให้กิเลสมันลดดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ฉะนั้นรู้มีสุดตะอย่างเดียวมันไม่พอคือตรงนี้แหละสำหรับความเป็นอยู่และกิจการทั้งหลายในโลกบุคคลคนหนึ่งอาจจะมีสุดตะในศิลปะเพียงอย่างหนึ่งอาจจะพอต่อการดำเนินชีวิตได้นะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเรียนจบมาทางด้านด้านกฎหมาย แล้วก็มาเป็นทนายความมาเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาเออมันเพียงพอต่อการหากินได้เนี่ยเนี่ยวิชาอื่นเนี่ยไม่ต้องเรียนก็ได้พอได้เงินมาแล้วก็จ้างคนช่วยต่างๆ่าเนี่ยนะมันเพียงพอต่อการหากินได้จริงบางคนเรียนศิลปะในการเป็นนักวาดนักเขียนเนี่ยก็เพียงพอจะหาซะเออเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันเพียงพอว่างั้นเดจำลงชีวิตได้ ทีนี้คนหนึ่งที่มีสุดตาในเรื่องหนึ่งต่างคนต่างก็มีสุดตาคนละอย่างกันไปสุดตาของคนคนหนึ่งก็ไม่จําเป็นสําหรับอีกคนคนหนึ่งก็ได้เคือคนเราอาจจะมีสุดตามีข้อมูลหลากหลายที่จะเป็นอาชีพด้ยกันยิ่งคนเรียนเรื่องหมอเนี่ยยังอื่นทําไม่เป็นเลยบางทีขับรถก็ไม่เป็นด้วยซ้ำจะเป็นหมอเนืแต่เรื่องชีพได้หากินได้พวกนั้นสามารถที่จะมาจ้างคนทําบ้านได้ไม่ต้องมีวิชาเรื่องช่าง วิศวะทั้งหลายเหล่านี้ไม่ไม่ต้องรู้อาคีถุงอาคีเทคก็ไม่ต้องไปรู้สามารถจ้างเขามาทําได้หมดแต่เรียนแค่หมออย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะนรับก็พอพอไหวนะสุดตามีข้อมูลในลักษณะอย่างเนี้ยทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือสุดตาประเภทนี้ยังไม่ใช่สุดตาที่ปราศจากโทษแม้ว่าโดยความมุ่งหมายเดิมสุดตาเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ทำให้มนุษย์เนี่ยหลุดพ้นไปจากทุกประสบอิสรภาพแลอมีความสุขแต่ก็บ่อยครั้งที่กลับมาเป็นผลตรงกักลายเป็นเครื่องสร้างปัญหาก่อความทุกข์ให้อย่างหนักหนาซับซ้อนแก้ไขได้ยากขึ้นนี่ลักษณะแบบนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าที่จริงเนี่ยการที่มีวิชาความรู้เหล่านี้จริงๆก็ต้องการแก้ปัญหาสุตตะสมัยโบราณก็18ศาสตร์สสาขาก็ว่ากัน ก็ต้องการแก้ปัญหานี่แหละแต่ปัญหามันมันซับซ้อนมันไม่ใช่เพราะการที่เรามีวิชาหรือว่าสุตตะข้อมูลเหล่านี้มาแล้วเราก็ไปประกอบเพื่อจะแก้ปัญหาเช่นถ้าเรามองดูก็คือว่าเออมันหนาวเราต้องเรียนวิชาการในการที่จะทําบ้านเรือนขึ้นเอ๊ะไม่พอต้องหาเครื่องต้องขมเอ๊ะไม่พอต้องหาอาหารเอ๊ะไม่พอต้องหายาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็มีสุตตะในการที่จะไปเรียนรู้เพื่อจะหาทั้งหมด น, นี้ก็คือมาแก้ปัญหาเพื่อต้องการจะแก้ปัญหาต้องการจะหาความสุขนี่แหละสุตตะหรือข้อมูลนี่เอาไปดิ้นรนแ ส, งสแวงหากันเนี่ยลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าเป็นวิชาชีพต่างๆเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อจะเป็นคุณประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นที่นี้สุตตะที่เป็นคุณสมบัติของ ที่จะเข้าถึงความหมายที่แท้จริงในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นสุดตาที่เป็นคุณสมบัติของอารยสาวกหมายถึงความรู้ที่จําเป็นสําหรับทุกคนเพื่อให้รู้จักวิธีที่จะดําเนินชีวิตให้ดีงามทาให้รู้จักใช้สุดตาอื่นๆคือวิชาชีพต่างๆเป็นต้นให้เป็นไ ป, นปนในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นอันนี้เป็นส่วนเสริมสําหรับ ปิดกั้นโทษช่วยทำให้สุตตอื่นมีคุณค่าเต็มบริบูรณ์และเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาตามความหมายที่แท้จริงซึ่งเป็นคุณด้านเดียวเนี่ยการที่เราจะเห็นไหมว่าถ้าเรามีสุตต์สุตตาวาริยาสาวกมีสุตต์ต่างวาริยะคือมีข้อมูลของวุฒิเจ้ามีข้อมูลของวาริยะมีข้อมูลว่าตัวกุศลเป็นยังไงอกุศลเป็นยังไง อะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญาอะไรเป็นราคะโทสะโมหะอะไรเป็นโลภะโทสะโมหะอะไรเป็นอะโลภะอโทสะอะโมหะอะไรเป็นกุศลกรรมอะไรเป็นอกุศลกรรมพอไปรู้สุตตากามาริยะขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเป็นประโยชน์มากเลยที่มันอื้อต่อสุตตะที่เราเรียนรู้กันมาที่เป็นวิชาหกินทั้งหลายเนี่ย มันก็เลยเป็นกมกับว่าเออถ้าเรารู้เรื่องกฎหมายมันก็ใช้วิชาการของกฎหมายนี่แหละในการที่จะไปเ อ, อื้อต่อการที่จะทำให้คนทั้งหลายเนี่ยที่ไม่รู้ไม่เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์กติกาของสังคมทั้งหลายได้ปฏิบัติต่อระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคาสังคมได้ถูกต้องดีงามและไม่ไปเพืพื้นผิดระเบียบกฎ ก, กฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่ถูกปรับเป็นต้นเหล่านี้ และในขณะเดียวกันถ้ามีสุดตาภริยามาเสริมเขาอีกแล้วเราก็ใช้สุดตะเกี่ยวกันในเรื่องของกฎหมายทั้งหลายให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีงามส่งเสริมทาให้สังคมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีงามอยู่ด้วยกันได้มีความสุขไม่ใช่เอากฎหมายเอามาหาเปิดช่องในการยะเบียดเบียนคนอื่นรังแกคนอื่นหรือก็ห้ามหันคนอื่นแล้วก็มีอคตินะ มีลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะไม่รู้เรือลำเอียงเพราะกลัวเป็นต้นในการที่ใช้วิชาเจตเดนรู้ไปเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นทําให้คนอื่นประสบความทุกข์และตนเองก็อยู่อย่างเห็นเก่ตัวเพราะเราอาศัยสุดตาของพระดยะนี่แหละมาคอยเอื้อต่อการที่มาคอยปรับว่าจะดําเนินชีวิตอย่างไรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามที่จะทําให้บาปอกสนไม่เกลือนกลัวในกระแสชีวิตของตนเองอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าสุดตาของพระิยานี่มีประโยชน์มากของพระดยามีประโยชน์มาก แม่จากการดำเนินชีวิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามในการวิชาหาเลี้ยงชีพวิชาหาข้าวกินอย่างนี้เป็นต้นเพราะจะมองเห็นหมั้ยทีนี้นี่แหละว่าสุสตตานี้เป็นความรู้ที่ทำปุถุชนให้กลายเป็นอริยะเขาเรียกว่าสุตตวาริยสาวก หรือเป็นอริยชนได้สุดาหนี้ก็คือความรู้ในอริยธรรมคําว่าความรู้ในอริยธรรมก็คือหลักความจรงิงความดีงามที่อริยชนแสดงไว้คุณพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นต้นเป็นคําแนะนําสั่งสอนต่างๆที่แสดงหลักการการครองชีวิตที่ประเสริฐอันนั้นเป็นการชี้ที่เรียกว่ามรคาหรือเส้นทางแนวทางไปสู่ความเป็นอริยชนทีนี้ ถ้าเรามอ ง, งย่ออย่างเช่นศรัทธาสินสุตตาจารค้าปัญญาก็ดีหรือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาหรือสมาธิถี่ความเห็นที่ถูกต้องสมาสังปาความดํางบิที่ถูกต้องสมาวาจาการกล่าววาจ า, า, า, า, จ า, า, า ท, ıyoruz, ที่ถูกต้องสมมากรรมตาการกระทําที่ถูกต้องสมาชีวาการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องสมมาวายมาเพียนที่ถูกต้องสมาสติระลึกที่ถูกต้องสมาสมาธิความตั้งบั่นที่ถูกต้องย่อลงคือสรุปลงสั้นๆก็คือสินสมาธิปัญญาเนี่ยความรู้ในอริยธรรม่ย ความรู้ในอริยธรรมเนี่ยคือหลักความจริงความดีงามที่อริยชนคือพระเจ้าทรงแสดงไว้พอแสดงไว้เนี่ยรกรรมแนะนําสั่งสอนเป็นหลักการในการที่จะเข้าถึงการคลองชีวิตอันประเสริฐแล้วก็ชี้ชี้มรรคา ช, ชี้เส้นทางแนวทางหรือชี้แผนที่ที่จะดําเนินไปสู่ความเป็นอริยชน แล้วก็จะได้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์นี่ประเสริฐ ต, ตรงนี้ฉะนั้นมนุษย์ที่รู้ศิลปาวิชาการต่างๆอย่างเดียวยังไม่พอแล้วก็อันตรายด้วยนอกจากไม่พอแล้วอันตรายด้วย เ, เมื่อรู้ศิลปา ว, วิทยาการต่างๆเนี่ยเช่นวิชากฎหมายทางๆวิชาแพทย์พยาบาลเภสัช หรือว่าเกี่ยวกับกลุมอาชีวะทั้งหลายเนี่ยกเกษตรกรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอุตสาหกรรมหรือการก่อสร้างอีกเยอะแยะมากมายมวิชาการต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีสุตตะด้านเดียวอย่างนี้เป็นอันตรายทันั้เพราะเราแยกไม่ออกอะไรมันเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นคุณเป็นโทษอะไรเมื่อดําเนินไปนแล้วเนี่ยมันยังบาปสกสารกรรมมันชโชคร้ายเกิดขึ้นได้อย่างไร น, นี่มันเป็นอย่างนี้นี่เราก็ ไม่เข้าใจนสภาพสังคมใดที่ไม่เข้าใจส่งเสริมสุตตะที่เป็นวิทยาการต่างๆอย่างเดียวแต่ไม่ไม่ส่งเสริมสุตตะของอริยชนก็เลยกลายเป็นว่าไปคนละทางบางคนก็เรียนรู้สุตตะกับพระรยะก็เบื่อสังคม ง, งนไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งกับสังคมทิ้งไปเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นสุดต่งในกรณีที่เป็นแบบนี้ไปอีก บางคนก็ไม่เอาเลยในด้านของอริยธรรมทำที่จะฝึกตนเองเป็นอริยชนก็เอาแต่สุตตะวิทยาการต่างๆแบบโลกโลกทั้งหลายมันก็สุดตรงไปอีกมุมนึ่งแต่เข้าก็ไปลคนละเรื่องเลยทียนียสภาพสังคมก็อย่างที่เราเห็นมันมันผิดทั้งคู่แต่ว่าเอาสุตตะของอริยอย่างเดียวไม่ดีหรือจริงๆเนี่ยแล้วเราจะอยู่ในในใน ถ้าเราไม่รู้วิทยาการต่างๆจะอยู่ยังไงก็อยู่ไม่ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็กลายเป็นแปลกแย่กลายเป็นปฏิบัติไม่ถูกต้องดีงามอย่างนี้เป็นต้นนะนะสรุปก็คือว่าสุตตะวิทยาการต่างๆก็จะต้องมีสุตตะอริยธรรมนั้นนะ่ยควบคู่หรือแทรกอยู่ด้วยเป็นส่วนเติมเต็มเสมอไปจึงจะพอให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาไม่ใช่เครื่องมือสร้างปัญหา ทีนี้ถ้าเราดูอย่างนี้ก็คือว่าสุตตาทุกอย่างรวมทั้งสุตตาในยธรรมเนี่ยจะเป็นความรู้ที่ถูกต้องแต่ก็ยังเป็นเพียงความรู้อย่างครั้งหรือสาหรับสะสมวัตถุดิบยังไม่สาเร็จกิจอย่างแท้จริงนะอย่างดีถ้าก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็จะกลายเป็นความรู้ที่ย่อยเข้าเป็นของตัวเองไปที่เรียกว่าทิฏฐิ หรือรู้ระดับทิษดีซึ่งก็ยังไม่เพียงพอและต้องนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ของปัญญานซึ่งจะเป็นความรู้ระดับการแยกแยะวิจัยวินิจฉัยและก็จัดการโดยนำไปปฏิบัติตามหลักที่ว่าก็หมายความว่าถ้ายังไม่เข้าสู่ความเป็นธรรมานุธรรมปฏิปติก็คือการประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมตราบใดแปลว่าสุดตานั้นยังไม่สาฤทธผล สุดตาที่จะสำเร็จผลได้จะต้องเป็นอุปกรณ์ในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยจากธรรมะเย่อยๆคล้อยสุดธรรมะใหญ่สูงสุดคือโลกุตระธรรมระดับสารณาคมระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาเป็นต้นมันจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจะต้องเป็นไปในลักษณะจริงจะสําเร็จผลในการใช้งานได้อย่างแท้จริงถ้าอย่างนั้นก็เป็นสุดตาโดยเฉพาะ เป็นสุตตาที่ไม่เป็นสุตตามยปัญญาด้วยแล้วยุ่งเลยเป็นแค่อุปกรณ์หรือเป็นแค่วัตถุดิบบางคนเก็บไวัตถุดิบไว้เต็มตู้เย็นเก็บไว้เน่าเลยหรือเอามาใช้ไม่ได้เอามากินไม่ได้เอามาบริโภคไม่ได้ เ, เห็นไหมเนี่ยบุคคลบางคนสั่งสมข้อมูลเพียบว่านั้นเเอาไว้ตอบโต้กันหรือเอาไว้แข่งกันเอาไว้อวดกันอย่างนี นะข้านะข้ามันเลยไม่เป็นประโยชน์เลยนี่เป็นปัญหามากฉะนั้นสุตตะเนี่ยที่ได้บอกไปแล้วว่ายังไม่สาเร็จกิจอย่างแท้จริงถ้ายังไม่ก้าวหน้าไ่พัฒนามันกลายเป็นความรู้ที่ย่อยเข้าเป็นตัวงตัวเองถ้ามันต้องย่อยเข้าไปจนถึงระดับทิฏฐิที่เป็นความรู้ระดับทิษดีแค่นั้นพอมหมยังต้องนาไปใช้เป็นอุปกรณ์ของปัญญา ต้องเป็นความรู้ระดับเข้ามาแยกแยะวิจัยนะวิจัยวินิจฉัยจัดการนําไปปฏิบัติให้ได้เขาเรียกว่าเป็นเข้าสู่ธรรมานุธรรมปฏิปติหมายความว่าเวลาจะดําเนินชีวิตแล้วก็มีสุตตะมีข้อมูลกับพระอริยเจ้าทั้งหลายคอยบอกตลอดเวลาและเป็นอุปกรณ์ในการฝึกผลพัฒนาตนเองทใงด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาได้จนสามารถเข้าถึงการสิ้นจากกิเลสและกองทุกได้มันถึงจะสำเร็จผลสุตตะอันยิชสุสิริผล สุตตะทางโลกก็เหมือนกันเราเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ถ้าเราไม่ได้เข้าไปสู่การทดลองก็ไปวิจัยแยกแยะแล้วสามารถกระทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่จะมาเป็นประโยชน์แก่มนุษย์แก่เราเองแก่มนุษย์แก่สังคมสิ่งแวดลอ้อมไอ้สุตตาที่สั่งสมมามันก็ไม่เป็นประโยชน์อยู่ดีใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นมันเหมือนกันเลยนะสุตตาที่เรารับรู้กันที่เรามานั่งฟังๆกันอยู่เนี่ย บางคนโอู้หฟังฟังฟังแล้วโอเคดีดี ด, ดีก็วางทิ้งไปฟังฟังโอ้โหสุดยอดสุดยอดเออบางทิ้งไปฟังไปแล้วได้เรื่องบางไม่ได้เรื่องก็วางทิ้งไปมันไม่เป็นประโยชน์เลย น, นี่มันกลายเป็นไม่เป็นอุปกรณ์ไม่เป็นธรรมานุธรรมะมันต้องจ้องเป็นธรรมานุธรรมปฏิปติก็หมายความว่าเป็นการนําไปสู่การประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตระทิมฉะนั้นสุตตากลุ่ข้อมูลทั้งหลายต้องเป็นอุปกรณ์ของปัญญาใช่ไหมก็หมายความว่า ได้ยินเสียงกู่เรียกออวุริยเจ้าแล้วไม่พออย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างนี้อย่าทํานะให้ทําอย่างนี้ได้แค่นี้แล้วเออไม่ทําเป็นครั้งค่าวๆไปแต่มันไม่พัฒนาเป็นยิ่งยิ่งเกินไปนก็ไม่ชัดเลยถึงนี้เพราะมองเห็นไหมะเป็นไปลักษณะแบบนี่คือด้านสุดตะตรงนี้ก็เจาะให้ให้ลึกลงไปตรงนี้แหละเวลาเราดูในพระตรีวิดกอดรักษาดีกาทั้งหลายเหล่านี้บางทีมันก็ห่างจากพวกเราเกิน ห่างกันรู้สึกว่าเอเราจะอามาใช้อย่างไงให้เกิดประโยชน์อย่างไงอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตรงนี้แหละเป็นมันอยู่ที่ภาษาเป็นเครื่องกั้นนะเนะ่เราก็ต้องพยายา ม, มต้องเจาะเอามาใช้ให้ได้จริงๆซึ่งมันเป็นประโยชน์ไปไปมาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเหมือนที่บอกว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มันไม่มันเอามาใช้ไม่ได้แล้วเอามาใช้ไม่ได้ซะแล้วน้ำเป็นกันเยอะหมดเลยตอนเนี้ยพอพูดเรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไปซะแล้วพอรู้สึกว่า มันไม่รู้จะมาใช้ยังไงแค่พูดศัพ์ภาษาบาลีบางคนนะรีบออกจากไลน์ออกจากการฟังทันทีลองที่ลองเจาะพูดภาษาทุกวันนี้เลยแทบจะไม่ค่อยกลา้าจะใช้ภาษาบาลีเข้ามาพูดเลยเนะี่ยนี่คนยังไม่คุ้นเคยจริงๆน่าจะตื่นเต้นเนะีพูดสับภาษาบาลีต้องตื่นเต้นเยอะไหมโอ้โหตื่นเต้นแต่ตแต่ <c oughs> บางคนพูดภาษาอังกฤษโอ้โหชอบฟังกันเหลือเกินพูดผิดพู ด, พดถูกก็ไียงยักหน้ารู้หรือไม่รู้ก็ไยักกันอยู่นั่นแหละ ที่ไม่เข้าใจเรากลัวเขาไม่กลัวเขาไม่รู้ว่าเรารู้หรือไม่รู้กลัวเขาอายเขาก็พยักหน้าฟังตั้งๆ ท, ท, ท, ที่ไม่รู้เรื่องเลยแต่พอพูดภาษาบาลีปวดหัวขึ้นมาเลยอ น, นี่แปลกมากถ้าจะพูดบอกว่าถ้ายกบาลีขึ้นมาเดี๋ยวแหมไปไม่เป็นเลยวันก่อนพูดศัพท์ถามท่านไหนบอกว่ามีคนหลุดหายไปบอกฟังไม่รู้เรื่องย่งมีการบ่นทักออกมาแล้วฟังไม่เข้าใจบ่าที่จริงน่าจะตื่นเต้น ภาษาของพระพุทธเจ้าเนีฟังแล้วต้องชื่นใจยิ่ได้ยินภาษาบาลีปุ๊บสติปัฏฐานสมบูรณ์ฐานอิทิบาทอินทรีย์พระราพุทธชงอริยมั่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจสัมมากรรมตตาสัมมาชีวสัมมาวายมัสมาสติสมาสมาธิฟังก็ชื่นใจฟังมันชื่นใจมีสัญญาเก็บเขาไว้กขาถือว่าบุญแล้วใช่ไหมถือว่าบุญแล้วแค่ได้ยินอย่างเนี้ยโอ้โหโหเราไปฟังอย่างอื่น ทังเกตตัวจีเพลงบางเพลงที่มันร้องเป็นภาษาจีนก็มีภาษาเกาหลีก็มีใช่ไหมภาษาอิตาลีก็มีภาษาฝรั่งเศสก็มีโอ้โหฟังตั้งใจกันฟังตั้งๆไม่รู้เรื่องอก็ฟังกันถามว่าเพาะจังหว่างกันนะ<ง>มีบางคนไปดูภาพยนตร์ไม่ใช่ภาษาเราเลยฟังพยายามที่หนักไปกว่านั้ น, นะละครใบ ย, ยังดูกันเลยละครใบยใก็ดู มันแสดงโอ้โหพยายามดูท่าทางก็ยังพยายามจะเข้าใจมันได้ทั้งๆมันน่าจะปวดหัวแทบอ้วกนะเนี่ยนะแต่เราก็ถูกฆ่านิยมกันโอ้โหไปดูกันใหญ่เลยนี่เป็นต้ น, นเขาเรียกว่าเว็บผลิตมณสิกานเพี้ยนเพียนที่ของดีๆก็ไม่ชอบเอ๊ะบ่นไปหรือวะนี่ของดีๆก็ไม่ชอบไปชอบไปสิ่งที่มันไม่ดีตรงนี้ก็บ่นให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง ไม่ใช่บนนนะพูดเหตุผลเดี๋ยวจะไปหาว่าบนอันนี้เดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดพลาดถึงบอกว่าเวลาฟังคำสอนพระเจ้าถึงแม้จะฟังภาคภาษาบาลีฟังเชื่อไหมว่าค้างคาวเป็นสัตว์เดรัจฉานฟังภาษาบาลีด้วยความเชื่อมั่นกลุ่มค้างคาวเหล่านั้นปรีณิพานพ้นทุกข์หมดแล้วนี่ขนาดนั้นเนี่ย นี่ขนาดเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาพ้นทุกไปแล้วนี่พวกเราเนี่ยไปเกลียดภาษาพุทธเจ้าซะิีไม่มีหนอหนหรไม่มีเชื่อกับการหยุดพ้นทุกเลยใช่ไหมสร้างเชื่อไว้ออาอยัางไงก็กระตุน้นนะโอ้โหดีจริงๆสุดยอดจะฟังจะฟังจะฟั ง, ฟงใช่ไหมเออแล้วแปลกนะเวลาไปฟังเวลาพระสวดงานศพก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ก็ไปฟังกันดีนะ ไป ต, ตรงนั้นนะไปสำคัญว่าไปฟังแล้วคนตาย ท, า ท, าทั้งๆที่ถ้าแปลออกมาแล้วโหยุ่งเลยใช่ไหยเนี่ยงานศพเนี่ยเราไปเข้าใจอย่างนั้นเราไปพอไปฟังกันได้ไปฟังถ้าว่าถ้าวัดไหนไปสวดเป็นภาษาไทยแปลยอมหนีกรรมหมดเลยยอมจะมองว่าไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์คนตายไม่ได้บุญอะไรเงี้ยจะไปกันใหญ่เลย ทั้งๆที่นั่นแหละพระท่านแสดงธรรมกุศลธรรมากุศลธรรมาปยากาตาธรรมะกัตเมระมากุศลายศมิสสมิยกรรมาวจิรังกุศลังกิตตังไปเนต้นเนี้ยโอ้จะแปลกมานิยมไปกันไม่เป็นเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้ไม่เอาแล้วไม่ใหม่แล้วนี่เป็นขนาดนั้นเออข้านิยมฉันจะฟังบาลีเท่านั้นมันก็สุดโต่งว่าฉันจะฟังฉัจะฟังพระผู้สวดแบบนี้ถ้าเกิดมีวัดใดสวดจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยไม่ไปกันเลย เพราะความยึดมั่นยึดมั่นว่าจะต้องฟังเท็ที่จริงไงเนี่ยเนี่ยโบราณอาจารย์เขาก็ผูกเอาไว้เพื่อให้เราได้มีไม่ให้เสื่อมเพราะเขาบอกในบรรดาจะเสื่อมเยในปิดกทั้งสามเนี่ยอริธรรมปีดกจะเสื่อมก่อนโบราณอาจารย์ทั้งหลายหรือคนรุ่นเก่าทั้งหลายก็อย่าให้เสื่อมเลยเอาผูกไว้กับงานศพก็แล้วกันยังมีการเผากันอยู่ก็สวดกันอย่างเงี้ยนวะ่างนันที่ แต่ก่อนสวดก็รู้เรื่องกันไงฟังรู้เรื่องปัจจุบันเนี่ยทั้งคนสวดทั้งคนฟังพอๆกันสวดเสร็จก็มองหน้ากันทำไงดีบางคนทำอะไรไม่เป็นเลยไปให้คอยคอยขอศกคอยบอกอ้าวเวลานี้ไปถวายผ้าเวลานี้มานั่งฟังต้องให้เขาสั่งถือว่าโก้เลยนะเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ทำอะไรไม่เป็นเนยอย่างนี้เป็นตน้น เนีอันนี้ก็ออกนอกเรื่องไปนิดหนึเข้าถึงจาค้ายาค้านี่ก็แปลว่าการสละหรือสละให้ก็หมายถึงการให้ที่แท้จริงการให้ที่แท้จริงก็จะการสละออกไปการสละทั้งข้างนอกและการและข้างในเนี่ยคือข้างนอกสละวัตถุข้างในก็เป็นการสละกิเลสคือความโลภ สลากกิเลสคือความตนหนีคือความห่วงแหนและถ้าดีไปกว่านั้นก็คือสลากความหลงด้วยทีนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันสละกได้แต่วัตถุข้างนอกแต่ข้างในไม่สละกก็เลยไม่เป็นจยากครับที่ถูกต้องใช่ไม้มใครเคยตั้งใจไหมว่าเอาละเราสละวัตถุข้างนอกเนี่ยแต่เราจะสลาความโลภความยึดติดด้วยเราจะสลาความห่วงแหนความตนหนีด้วย ทำให้จิตใจเปิดกว้างขึ้นด้วยแล้วจะสละความลังเล ส, สงสัยความหลงด้วยสละออกให้หมด <c oughs> ถ้าอย่างนี้มันก็ชัดที่มีการสละที่ถูกต้องใช่ไหมโอ้โหให้กันมาไม่รู้เท่าไหร่แต่ทำไมมันความโลภมันเพิ่มขึ้นความหวงแหนมันเพิ่มขึ้นความมัวเมาร่มหลงมันเพิ่มขึ้นเครียดวิตกกังวลก็เพิ่มขึ้นมันเป็นเพราะอะไรก็แปลว่าจาคะมันไม่เกิดจริงใช่ไหม ัจาค้าที่เกิดจริงมันจะต้องสละได้การให้ของอริยะสาวกนั้นท่านก็กระทาจิตใจที่สูงพ้นระดับความต้องการผลตอบแทนเนี่ยเช่นว่าท่านให้เนี่ยท่านไม่ได้ต้องการลาบยศสุขสารเสริญเป็นต้นเนี่ยลักษณะของจาค้าของอริยะก็คือว่าชอบให้ชอบบริจาคคำว่าชอบให้และชอบบริจาคหมือมาจากคาว่า ทานาสังวิภาครับยินดีในการให้ในการแจกยินดีในการให้ในการแจกแสดงอยู่ในตัวถึงการมีความสุขสบายใจในการกระทําเช่นนั้นและการที่จะและการที่จะไม่ได้กระทําก็เพราะมุ่งประโยชน์ตอบแทนแก่นตอ น, น, นอริยาสาวกจึงไม่มีปัญหาในเรื่องที่จะนําความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความเศร้าโศกผิดหวังในภายหลังว่าทําแล้วทําไมคนคนนั้นถึงเป็นอย่างนี้ คือให้แล้วไม่มีผิดหวังอริยสาวกถ้าเราให้เนี่ยมันจะมีความหวังอย่างน้อยที่สุดหวังว่าไอ้คนคนนี้มันจะรู้จักเรา <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมมันจะรู้จักเรารู้จักบุญคุณของเราว่าเราเป็นผู้ให้มันมีอัตราตัวตนเป็นผู้ให้เป็นผู้และจำแม่นเลยได้ไหมว่าชัดเคยให้คุณ ใช่ไหมแล้วคือคือเราให้เนี่ยมันเป็นการมันไม่ได้สละออกแต่มันมีตัวความตนหนีเพิ่มขึ้นมันมีความหวงและมันเป็นความหวังเลยนะให้ถ้าเขาไม่เอาไปใช้โกรธดิให้เขาไม่กินโกรธดินะ กลุ่มบรรดานักบวชในประเทศไทยทำตัวยากยากเวลามีคนมาศรัทธาเยอะๆอถ้วพลอยไม่ศรัทธาเอาเลยนะเช่นเอาของไปให้แล้วก็กำกับว่าของนี้ซื้อมาจากต่างประเทศ น, ท น, นะท่านเป็นของดีเราก็ทำเงินของดีนี่มวนท่านกินหน่อยฉันหน่อย <c oughs> โอ้โห เนี่ยมันไม่มันไม่ได้สละแต่มันไปกํากับแล้วก็หวงยึดติดแล้วต่นี้ก็กลายเป็นว่าไอ้ความตณีทั้งหลายความหวงทั้งหลายไม่ถูกทำลายมันพอกพูนแบบเชิงละเอียดขึ้นมากขึ้นยิ่งให้มากเท่าไรมันกลายเป็นว่าจำเอามาเอาไว้อ้างอิง mm hmm. ขอใบนโมธนาด้วยแล้วไม่ไว้ใจกันเลยแต่นี้ไม่ไว้ใจ ให้ทั้งผู้รับผู้ให้ก็อึดอัดกันเป็นแถวเป็นแนวเลยทียนี้มันเป็นไปลักษณะแบบนี้เนี่ยมนจ่าค้ามันไม่มันไม่จาค้าจริงมันไม่เป็นการยินดีในการให้ในการแจกนะในลักษณะในการไม่ได้หวังผลประโยชน์อริยะสาวกจึงไม่มีปัญหาในเรื่องที่จะมาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจหรือความผิดหวังหรือความเศร้าโศกในภายหลัง ทำไมเราทำแล้วถึงเป็นอย่างนี้ทำแล้วถึงเป็นอย่างนี้เป็นต้นเราเนี่ยเออเหมือนไม่ต้องอะไรเลยเมื่อแล้วถ้าเราดูว่าถ้าสภาพสังคมเนี่ยไม่ไม่เข้าใจคำว่ายาค่ะเนี่ยเป็นสังคมที่น่ า, น, าน่าเป็นห่วไม่มีความห่วงแห็นปิดบังอยู่ข้างในเนี่ยอริยาสาวกจะเป็นอย่างนั้น ใจก็จะเปิดกว้างออกความเข้าใจผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นมองเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาโดยง่ายจิตใจก็โน้มไปในทางที่จะให้มุ่งแต่จะสงเคราะห์ว่างช่วยเหลือให้เขาได้รับประโยชน์แก้ปัญหาให้เขาทำให้เขามีความสุขมีความยินดีพอใจในสุขในการให้เป็นต้อนอะนี้ฉะนั้นการสลัดหรือการแบ่งปันนั้น น, นถ้าจะคิดในแง่ของผลตอบแทนหรือการได้นั่นแหละเป็นการถามว่าคิดยังไง สมมติเราจะคิดใ น, ในผลต่อแทนว่าการให้นั่นแหละมันเป็นผลอยู่ในตัวเพราะอาริยาสาวกเขามีอะไรรู้ไหมมีตัวฉันทะมีใจรักในกุศลธรรมก็คือในความดีในการสละเห็นเห็นกุศลธรรมเห็นจิตที่คิดจะให้เห็นความไม่โลภเห็นความไม่โกรธเห็นปัญญาเห็นตัวศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในตน และเกิดมีใจรักในธรรมะในกุศลธรรมต้องการที่จะทำความดีต้องการจะให้สิ่งที่ดีด้วยการให้นั้นอริยสาวกเป็นอันว่าได้กระทำสิ่งที่ดีงามและความดีงามก็เกิดขึ้นมีขึ้นก็หมายความว่าได้เห็นเมตตาที่เกิดขึ้นในตนได้เห็นกรุณาที่เกิดขึ้นในตนได้เห็นมุทิตาที่เกิดขึ้นในตนอริยสาวกได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็เห็นสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ก็เลยเกิดความเมตตาปรารถนาให้โลกมีความสุขด้วยอํานาจของเมตตากรุณาในการให้โลกก็เลยมีความสุขเกิดขึ้นได้จริงๆก็เรียกว่าเป็นการที่บอกว่าให้ด้วยเมตตาให้ด้วยกรุณาและให้ด้วยมุทิตาเนี่ยมันเห็นตรงนั้นอริยสาวกก็เลยได้มีใจที่บริสุทธิ์มีจิตที่ผ่องใสกิเลสก็ลดน้อยลงลดน้อยลงฝึกฝนอบรมตนแล้วก้าวไปในธรรมะ ก็มีความสุขความอิ่มใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นใกล้ถึงจุดหมายของความเป็นของการที่จะพัฒนาเข้าสู่คุณธรรมที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งสละยิ่งให้ทั้งหลายนะกิเลสก็ยิ่งเบาลงลดลงความสุขมันก็เพิ่มขึ้นนี่เป็นไปในลักษณะนี้คําสอนภาษาลิบุตรเคยกล่าวบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิ ใช่ใช่คําอุปติคนก็ไม่เข้าใจนะก็คือเจือคือสุขที่เจือด้วยกิเลสหรือเป็นโลกิยาสุขหรือสุขในไตรภพไม่ได้ให้ทานเพื่อเจือกับกิเลสนะโอ้การให้ทานของเราเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมการให้ทานของเราได้เกียรติยศชื่อเสียงการให้ทานของเราคนจะได้รู้จักเรามากขึ้นการให้ทานของเราเนี่ยโอ้โหไปไหนไปที่ไหนปุบ๊บมีแต่คนยกย่องสรรเสริญอย่างนี้ก็เรียกว่าเจือด้วยอุปธิ บัณฑิตจะไม่ให้ทานแบบนี้ไม่ได้เจอด้วยอุปธฏฐีแบบนี้เป็นความสุขที่เป็นไปกรโลกียะเป็นสุขที่เป็นกิเลสเนาะย่อมไม่ให้ทานเพื่อพบแต่บัณฑิตเหล่านั้นเนะี่ยย่อมไม่ให้ทานเพื่อกาจัดกิเลสเป็นไปไม่ได้เป็นไปเพื่อการก่อพบอีกต่อไปเป็นการตัดวัตตตัดพบเลยนะเป็นการให้ที่ถูกต้องดีงามเป็นไปในลักษณะแบบนี้ ทำอย่างไรเราถึงจะเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ต้องมีปัญญานี่แหละรู้และเข้าใจคำว่าจาคะอย่างดีมันถึงจะเป็นการสละบางคนก็ให้จนมึนหมายความว่าให้ไปงั้นไม่ให้เฉยๆออรับก็ไม่อยากจะรับให้ก็ไม่อยากจะให้รับมาก็รับเฉยๆเคยเห็นไหมรับมาก็วางไว้ตรงนั้นเลยฟังะเ ไม่ได้มีความรู้สึกสุขใจชื่นใจต่ อ, อกุศลจิตของบุคคลที่คิดจะให้เรากับเน้นที่ของแต่ไม่ได้เน้นถึงตัวกุศลธรรมของเขางนั้นคนเป็นผู้รับเนี่ยจะต้องโอ้หของที่เขาให้เป็นวัตถุทานนึกไปถึงเจตนาือจิตที่คิดจะให้ที่เป็นไปกับความไม่โลภไม่โกรธเป็นไปกับปัญญาของท่านบูญนั้นว่าท่านบนนี้กำลังฝึกเข้าถึงจาคะที่ถูกต้องดีงามหรือไม่ ถ้าเป็นพระก็ถามโยมก็เลยโยมให้เนี้สละขาดไหมสละขาดไหมให้ด้วยศรัทธาไหมเชื่อมั่นในกุศลความดีไหมเชื่อมั่นในศีลในสมาธิในปัญญาเชื่อมั่นในความไม่โลภไม่โกรธเชื่อแน่ในปัญญาไหมเชื่อมัน่นแล้วการให้อย่างนี้กิเลสของโยมลดลงไหมถามอย่างนี้โยมก็บอกว่าเป็นยังไงก็ อ, อกธิบายกว่ามันมีความโลภเพิ่มขึ้นหรือความโลดโลภบลดลง ความตณนนีมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงหงุดหงิดพุ่งซ่านมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงความไม่รู้ไม่เข้าใจมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงการให้วัตถุชิ้นเนี้ยข้างนอกยอมสละแล้วข้างในกิเลสตั้งหลายสละได้ไหมก็ถามยอมอย่งี้ยอมก็เลยอ๋องั้นไม่ให้แล้วท่านถามเยอะจังพาก็เลยเศร้าใจแล้โหไม่น่าพูดเลยจะไม่ให้ก็ดีใช่ไหม ถามถามไปเรื่อยๆนี่เป็นอย่างนี้ให้อย่างไรแล้วแล้วอย่างนการให้ทานอย่างไรคให้ความความหลงลดลงให้ทานอย่างไรความหลงถึงจะลดลงพระถามมาเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าออการรู้และเข้าใจเนี่ยนะรู้ถึงตัว เจตนาทานรู้ถึงตัววัตถุทา น, นตัววัตถุทานเนี่ยก็ต้องมาแยกแยะพิจารณาว่าเอา้าเราให้ iPad หนึ่งเครื่องใช่ไหมใน iPad เนี่ยบรรจุข้อมูลอะไรเราต้องการบรรจุข้อมูลอ๋อธรรมะโอ้โหบันทึกคำสอนไว้เต็มเลยพระไตรปิฎกทั้งวินยัยยปิฎกพระสุตตานุปิฎ ก, กอิธรรมปิฎกอัตถาดีกาเต็มไปหมดเลยสมมติเนี่ยเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยเราถวายพระไตรปิฎก ที่การที่เราถวายพระตไตรปิฎกหรือพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทึ่เป็นข้อมูลของพระเจา้าเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ท่านท่านไปหน้าที่ไหนเนี่ยท่านจะได้มีข้อมูลของพระเจ้าเนี่ยในการที่จะไปไปศึกษาไปเล่าเรียนไปอ่านไปเกิดความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าใช่ไหมอันนี้แปลว่าตัววัตถุทานในเลิออยู่แล้วทีนี้พอเข้าใจในเรื่องของวัตถุทานตรง น, น, นั้นก็เป็นการวิจัยแยกแยะในหายะเรื่อ ทีนี้ตัวเจตนาที่จิตที่คิดจะให้ไม่เป็นนามธรรมเนี่ยทีนี้จิตที่เป็นกุศลไหมจิตที่คิดจะให้ที่เป็นกุศลไหมเป็นการให้เนี่ยให้ทานเพื่อเป็นไปกุบะิีไหมเป็นไปกักเกลเอ็ดไหมลองเออถ้าเป็นไปด้วยการกักเกลเอ็ว่าเออเราให้สิ่งนี้ไปท่านผูนี้จะได้รู้จักเราชื่นชมเราว่างั้นเถอะถ้าเป็นไปในลักษณะนี้เป็นไปเพื่อไตรภพเป็นไปเพื่อกามาปลุรูปมาปลุมรูปมาุมออย่างเงี้ย ลักษณะนี้การให้นั้นก็ไม่เป็นไปกับปัญญาถ้าเป็นการที่ให้ไปปัญญาก็คือการให้เนี่ยเป็นไปเพื่อพันธิภานจริงๆสิ่งที่ต้องการคืออย่างนี้และในขณะเดียวกันก็มีการแยกแยะองค์สิ่งที่ให้เป็นประโยชน์สองก็คือแยกแยะองค์ประกอบของกระแสชีวิตของผู้ให้ที่จริงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอัตตาใดๆเป็นผู้ให้หรอกใช่ไหมเจตนาก็เป็นนมามธรรม ความไม่โลภความไม่โกรธที่เกิดขึ้นศรัทธาที่เกิดขึ้นความเพียรที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นสมาธิหรือปัญญาที่เกิดขึ้นก็เป็นนามธรรมก็เรียกสังขารละขันธ์ความรู้สึกสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ก็คือเวทนาขันธ์การจําทั้งหลายก็เป็นสัญญาขันธ์ปรงแต่งทั้งหลายที่เป็นกุศลก็เป็นสังขารละขันธ์จิตที่เป็นประธานในการให้ทั้งหลายก็เป็นวานยาขันธ์ดินน้ําไฟลมที่ประกอบไปได้วยผมขนเล็บ ฟ, ฟันหนังก็คือรูปประการ กรแสชีวิตคือรูปประธรรมนามธรรมขันห้าเป็นผู้ให้ขันห้าเป็นผู้รับอย่างนี้ก็เห็นหมดเลยทีนี้ถ้า แ, แยกแยะอย่างนี้ก็ชัดแล้วใช่ไหมอ๋อเป็นไปเพื่อการสละกิเลสเป็นไปเพื่อความสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์เป็นไปเพื่อค ว, วามดับพบสิ้นพบจริงๆเนาะนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าโอ้ย อ, อย่างนี้ปัญญาสูงสุดเลยแยกแยะอย่างนี้ได้แต่ยังไม่ได้อย่างนี้ก็ให้เข้าใจกรรมและผลของกรรม เราจะดำเนินไปรู่ตัมรรคกรรมสู่ความสิ้นจากกิเลสและกองทุกอย่างนี้เป็นต้นอ้าข้อสุดท้ายคือปัญญาปัญญาก็แปลว่ารู้ทั่วรู้ชัดรู้รอบรู้ลึกเนี่ยเข้าใจอย่างรู้เหตุผลรู้ประเภทจำแนกแยกแยะวิจัยสามารถที่จะแยกแยะว่าจริงเท็จดีชั่วถูกผิดควรไม่ควรคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล และปัจจัยต่างๆรู้ภาวะความตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆรู้ว่าจะนำไปใช้หรือปฏิบัติอย่างไรจะแก้ปัญหาได้หรือให้สำเร็จผลตามมุ่งหมายอย่างไรเป็นความรู้ระดับการเข้าถึงใช้งานแก้ปัญหาแต่ในที่หมายถึงความรู้ที่จะใช้ปัญญาแก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์แล้วก็ดับทุกพูดอีกอย่างหนึ่งคือความรู้ที่จะทาให้รู้จักการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามไม่ให้เกิดปัญหา ไม่ก่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์เนี่ยปัญหาในความหมายเนี่ยถ้าพูดในหลายอย่างเช่นความเข้าใจในโลกและชีวิตตามความเป็นจริงและรู้อริยสัจสี่ก็คือรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมรู้ปฏิจจสุบาทรู้ความคิดเหตุผลที่ไม่ถูกนิวรณ์ทั้งหลายครอบงำหรือแสดงไว้ว่าเป็นความหมายของปัญญาสัมปทานในฐานะคุณสมบัติของอริยาสาวกว่า ปัญญาที่ยังถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็เกียรู้เท่าทันคติธรรมดาของโลกและชีวิตเช่นเกิดแก่เจ็บตายความเจริญความเสื่อมอันเป็นอริยะอริยะก็คือว่าปัญญาที่ชั่มแลกหรือทะลวงกิเลสเนี่ยเรียกว่าปัญญาที่เจาะสัจจะทำได้เจาะทุกขสัจจะได้เจาะสมุทญาสัจจะได้เจาะนิโรธาสัจจะเจาะมรรคสัจจะได้ อันจะให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบทีนี้ถ้าไม่ว่าจะมีโลเกียปัญญาถ้าโลเกียปัญญาก็คือเช่นถ้ามองถึงในเรื่องของการว่ามีความรู้มีความเข้าใจในการที่จะดำเนินชีวิตถ้าปัญญาในระดับที่รู้จักเรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องรู้วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเป็นความรู้ ในกรณีที่จะแก้ปัญหาชีวิตในระดับขั้นพื้นฐานนี่ก็เป็นปัญญาเนอะไม่ใช่ไม่เป็นหรือดําเนินชีวิตถูกต้องดีงามปัญญาที่เป็นคุณสมบัติของอริยาสาวกเนี่ยคือไถ้าเป็นความรู้ประเภทสุตตะที่จะเป็นอุปกรณ์ของปัญญาเนี่ยซึ่งทำให้ปัญญาได้ข้อมูลก็จะนำไปใช้สร้างความเข้าใจชัดเจนกว้างขวางยิ่งขึ้นก็คือสุตตะที่เราสั่งสมเก็บไว้ก็เอามาเป็นอุปกรณ์ใ ก, การเอาปัญญามาแยกแยะ เมื่อแยกแยะเห็นเหตุเห็ น, ห น, หนผลเบ็ดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตได้จริงเลยลักษณะอย่างนี้ก็เป็นปัญญาระดับที่ดึงข้อมูลใช้สตินั่นแหละจับข้อมูลดึงข้อมูลมาปัญญาก็มาสอบสวนมาวิจัยแยกแยะว่าจะประพฤติปฏิบัติหรือดําเนินอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะแต่สุตตาทางทำนะถึงจะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาก็เรียส า, าวก แมสุดตาทางโลกก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาทางธรรมได้โดยเฉพาะประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตเช่นการล้มเหลวการผิดหวังทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้สามารถเป็นอุปกรณ์แก่การที่จะพัฒนาปัญญาได้หมดถ้ากล่าวโดยรวบยอดก็คือการดําเนินชีวิตที่ดีงามหรือการก้าวหน้าในธรรมะความสําเร็จเด็ดขาดอยู่ที่ปัญญาเนี่ยบางคนมีสุดตามากแต่ไม่รู้จักคิดก็ไม่เกิดปัญญา สร้างสมศัตรูสุดตาไว้เยอะเลยแต่ไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลนั้นมาวิจัยแยกแยะได้และไม่สามารถใช้สุดตาให้เป็นประโยชน์บางคนมีสุดตาเล็กน้อยแทบไม่ต้องพูดถึงแต่มีปัญญามากรู้จักคิดรู้จักดาเนินชีวิตแก้ปัญหาได้ก็มีนะอันนี้แปลว่าเขาดึงเอามาใช้จริงๆเลยว่าเนี่ยอันนี้เป็นตน้นนั้นบา ง, บางมันเหมือนมีของใช้บางคนมีไม่เยอะหรอกแต่เอามาใช้อะว่ากัน้ บางคนโหพระวินัยบิดกก็จําได้หมดพระสุตตันต์บิดกก็จําได้อย่างมากเลยพระอภิธรรมก็จําได้เยอะหมดใช่ไม่เป็นเต็ไมไปหมดแต่ก่อนอตัวพวกพูดเองก็เป็นแบบนี้ผมเองก็เป็นแบบเนี้จําก็ให้จําอะไรจําหมดเรียนอะไรเรียนหมดแต่มีปัญหาแล้วเครียดใช้ไม่เป็นเอามาใช้ไม่เป็น แล้วนึกว่าแต่โอ้โมันจำจำจำจำถึงเวลาปฏิบัติคนละเรื่องกันนะไม่เอาพวกนี้ไปปฏิบัติเลยนะแต่ก่อนโน้ตไปตามสํานักต่างๆเนะี่ยเขาบอกให้ทิ้งทิ้งเลยนะข้อมูลที่คุณเรียนมาไม่เป็นประโยชน์ของเงินเราก็เชื่อเขาเลยเป็นความตามเขาใหญ่แต่เนะี้ยอันนี้แบกปริญญาตมาใช้ไม่ได้ไม่ได้วางเงินนะโอ้โหเราก็นึกโอ้โหจริงว่ะกังไปโง่ตามเขาเงี้ยมืดตามเขาเขาเขาเป็นแบบนี้ เดีวเวลาเขาสอนเขาก็ใช้ปริญัติที่เราเรียนมามาสอนเราอยู่เรื่อยใช่ไหมเราก็งงเขาบอกไอ้นี่แบกปริยญตมาของกันกระโดนขูอย่างนี้เนี่ยกลับไปกลับมาจากสํานักปฏิบัติสู่สํานักปริญตัติไปเงี้ยทั้งแยกกันเนี่ยประเทศไทยไมันแยกกันระหว่างสํานักปริญัติกับปฏิบัติแยกกันเลยเป็นปัญหาเลยทีนี้ใช่ไหม <c oughs> ยิงศึกษาเนี่ย <c oughs> คําว่าศึกษาเนี่ยมันก็กลายเป็นมันมีทั้ง การเรียนและการปฏิบัติมันรวมกันอยู่ในตัวอยู่อันเดียวกันใช่ไหมศึกษาศึกษาไปชื่อของการฝึกฝนพัฒนาไปชื่อของศีลสมาธิปัญญามันต้องมีการดําเนินชีวิตไปตามศีล ส, สมาธิปัญญาที่จึงเรียกว่าการศึกษาที่ถูกต้องดีงามใช่ไหมล่ะ เ, เรียนรู้ด้วยแล้วก็สามารถนํามาดําเนินชีวิตก็คือเลือกปฏิบัตินีน่ได้ก่อนมันนึกอย่างมันถูกสอนกันอย่า ง, างกระปายใหญ่เลยเด่นมาจากคุณนักปริญญาใช่ไหมครับ ไอเนี่ยสอนยากทิ้งให้หมดตรงนั้นนะอ๋อก็ออทิ้งก็ไปนั่ ง, ท, งทิ้งอุจทิ้งยังไงวะเนี <c> ่ <oughs> ทั้งทีไม่นึกถึงมันก็มาจะไม่คำสอนเนี่ยก็วิ่งมาเรืเอ่อยวิ่งมาเรื่อยนวิ่งมาเรื่อยมัน ก, ก็เป็นไปก็ไปเรียนไปท่องมาก็นึกที่มันไปเห็นชัดตอนไหนหรู้ไหมตอนนั้นไปที่พุทธคยาไปที่ประเทศอินเดียไปตามที่ต่างๆ เออแต่เนี้ยพอจะไประลึกถึงคุณของพระเจ้านี่เฮ้ยมันเอามาใช้ไม่ได้ระลึกได้ระลึกตรงนี้สถานที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้ปริทิพานระลึกอึงนี้ได้เนี้ยแต่ใจไม่มีความสุขเลยใจไม่มีความเชื่อมัน่นไม่มีความก ล, กล้ากล้าไม่มีความสติไม่มีความตั้งมัน่น ม, มีปัญญาเลยมันระลึกได้แค่เงี้ยจำจำได้ก็นั่งเศร้าใจอยู่กัน้น อ๋อเห็นไหมมันได้แต่สุดตะมันไม่ได้สุดตาไม่ใช่ไหมไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้จินตามายาปัญญาการไปวิคิดแ ย, ยกแยะจนลึกแล้วไม่ได้ปฏิบัติบันเพ็ญในที่นั้นเลยไม่สามารถทำศรัทธาให้เกิดขึ้นได้จริงไม่สามารถทําความแกล้งกล้าอาถารพ์ได้เกิดขึ้นได้จริงไม่ได้สามารถทําสติสมาธิและปัญญาที่รู้และเข้าใจโลกและชีวิตตามที่มันเป็นได้จริง มันเลยไม่เข้าถึงภาคธรรมานุธรรมปฏิปฏิประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมมันไม่เกิดมันได้แค่เป็นขยะมันไม่สามารถย่อยให้มาเป็นประโยชน์ได้มันได้อาหารมันเก็บสะสมข้อมูลไว้เต็มไปหมดแต่มีปัญหาในการใช้ในการเข้าถึงนี่เป็นปัญหามากนี่เป็นอย่างนี้เพราะเราไปเข้าใจกันมันแยกกัน แยกที่ไหนเหมือนคนขับรดไปนะ่ยคว้าง GPS ทิ้งนม่เอาแล้วขับมั่วดีกว่ามันดีเฮยคว้างทิ้งเลยเลไปเลยไม่รู้เรื่องแล้วตัวเองก็เลิกไม่ออกเลยทิ้งคว่างทิ้งไปตามคนอื่นก็บอกไอ้เขาบอกเนะี่ยเขาไม่บอกผิดบอกถูกก็ไปมั่วเลยตอนเนี้ยไปกันใหญ่มันเป็นแบบนั้นแท้จริงๆนะโอ้โหของมีค่ามาก ทีนี้มันเอินมันจะใช้ไม่เป็นบางคนมี GPS เลยนะเอามาเปิดแล้วมองไม่ออกเลยมองไม่ออกว่ายังไงก็ไม่รู้เนี่ยดูแล้วดูอีกก็ไม่ออกคำนวณก็ไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยลำคาญเลยในเะสียงพูดเนี่ยไม่เปิดแล้วเว้ยงั้นสู้จำเอาดีกว่าจามั่วๆไปทั่วเลยเดี๋ยวนี้นี่ใช้ไม่เป็นเหมือนกันจาคําสอนของพระเจ้าที่มีสุตตะแล้วนี่ ไม่สามารถที่จะทำเป็นอุปกรณ์ของปัญญาได้ที่จะแยกแยะเหตุและผลก็ดําเนินในการประพฤติปิบัติได้ถูกต้องดีงามนี้เป็นปัญหามากเลยนะทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เชื่อว่าจะต้องเป็นปัญหาอีกมากมายนะคืออันนี้ก็ฝากเราท่านทั้งหลายว่าโอ้เนี่ยนเป็นอย่างงี้แท้จริงเป็นประโยชน์นี่แหละแต่มันเอามาใช้ไม่ได้บางคนจําอะไรได้ก็มีทิฐิติดล่องล่องลึกแข็งทื่อลังเลและสับสนเครือบแฝงปลอมปน แล้วก็ถดถอยละลาหลังไปเลยไปไม่เป็นเลยทีน้มันจะจาอะไรมาก็ทิฏฐิติดล็อกลึกอยู่นั่นแหละแล้วก็พอในที่สุดจริงๆพอเจอปัญหาเจออะไรต่างๆขึ้นมาจริงๆนิดเดียวแค่ น, นั้นก็ทำตามความเห็นของตอนเองไม่ได้ทำตามคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้ทำตามข้อมูลใดๆหรอกอมีทิฏฐิยังไงมีตันหามาหน้าทิฏฐิอย่างไรเป็นตัวกากับก็กากับชีวิตไปอย่างนั้น แค่นั้นเอ น, นี่เป็นไปลักษณะแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นเป็นการดำเนินชีวิตที่ที่ผิดพลาดฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นจะบอกว่าเป็นศิลปะก็ไดเ้เป็นการกระทาที่ถูกต้องหรือเป็นเลยสามารถที่จะเอาข้อมูลที่เรียนรู้มาเอามาย่อยแล้วเอามาใช้ได้จริงแล้วเข้าใจได้จริงปฏิบัติเข้าถึงได้จริงไอ้ตรงเนี้ย โอ้โห oh, ปัญญานี่ยเลิศตรงนี้แหละเลิศตรงที่ว่าสามารถเอาสุดตาเป็นอุปกรณ์ของปัญญาได้แยกแยะละเอียดแล้วเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วสามารถลงมือทําประพฤติปฏิบัติได้แล้วเข้าถึงคุณธรรมที่ตนเองพึงประสงค์ได้อย่างแท้จริงแล้วมีความสุขมีความสุขได้จริงสังเกตไม่ยากบางคนไม่มีความสุขเลยบางท่านเริ่ประทับทำไปเสร็จเครียดอ่านท่องจําเร่งต่างเครียดวิตกกังวลอยู่นั่นเลย ก็มองไปที่คนอื่นแต่ไม่น้อมมาในการที่จะทำให้ตัวเองเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงสรุปวันนี้ก็เลยมาพูดถึงในเรื่องของศรัทธาศีลสุตตาก า, าละปัญญาอาจจะลงรายละเอียดได้ไม่ไม่ดีพอแต่ก็เชื่อว่าก็คงจะจะเป็นประโยชน์มีใครจะถามอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ก็มีไหมอ๋อไม่มีคาถามก็ โูดมาพอสมควรแก่เวลาเนาะชั่วโมงกว่าๆ ก, ก็โดยการทักทายกันว่างอะไรก็ทักทายกันในลักษณะอย่างนี้ก็<ข>อ่าก็เดี๋ยวก็ข อ, ข อ, ขอโมทนากับแล้วท่านทั้งหลายขอพระราชนานไทยคุ้มครองเป็นบรจจัยแก่หนุนในการดำเนินชีวิตไปตามมรรคาของพระชาเจ้า จนเข้าถึงอนุปาธาบริณิพานคือการสิ้นยา ก, กเกเรและกองทุกโดยการทุกท่านทุกประการเทอสาธุ